คุยเรื่องการทำความเข้าใจกาทำความเข้าใจเรื่องปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมนะสำหรับคนใหม่คนเก่าอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้เรามาปฏิบัติธรรมทำตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูคำเนี้ยทราบซึ้นนะคำว่าบรมครูเนี้ย คือเป็นครูเหมือนครูทั่ ว, วไปพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรแต่ท่านเป็นครูแต่เรียกว่าบรมครูนะประมะก็คือเป็นยอดของครูครูทั้งหลายเนีสอนวิชาความรู้ทักษะกันดมามหากินนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูคือสอนเรื่องของการพ้นทุกข์ให้ด้วยซึ่งไม่มีใครทํำนะ ในอดีตการที่ผ่านมาแล้วด้วยถึงปัจจุบันนี้ด้วยเนี่ยยังหาบุคคลผู้เสมอโดวยวิชาและจรณะเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีศา ส, สนาพุทธอุบัติขึ้นเมื่อสองพันหกร้อยปีที่แล้วหลังจากที่พระเย้าท่านตัดสรุแต่ก่อนนั่นก็ถือว่าไม่มีพุทธศาสนา ถามว่ามีการปฏิบัติธรรมไม่มีเมื่อก่อนก็มีการปฏิบัติธรรมมีการทำสมาธิมาแล้วแต่เป็นสมาธิแบบนักพลดลือสีชีไพรทั่วไปที่เขาฝึกปฏิบัติธรรมกันมาซึ่งถ้าเคยใครเคยศึกษาตำรับตาราโดยเฉพาะในประเทศอินเดียนี่คัมภีร์พระเวทเนี่ยจะมีหลักของการปฏิบัติธรรมมากมาย หรือแม้แต่เราเวลาเราอ่านตำราตำราที่ถือว่าเป็นยอดของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ได้รับการบันทึกไว้ยาวนานและสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นก็คือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่จะรวมเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ของคนในสังคมยุคนั้นๆไว้ด้วยนอกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย การปกครองการเมืองเศรษฐกิจอะไรอ่างเ จ, จะมีอยู่ในนั่นชีวิตความเป็นอยู่ในหลักข้อสอนของพุทธศาสนาถูกจารึกไว้เมื่อพระพุทธยอดปรินิพานแล้วประมาณสี่ร้อยปีประมาณสี่ร้อยปีนะคือก็เท่าเท่ากับสมัยพระเยซูเกิดหละ นานนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งร้อยปีก็ยังไม่ได้บันทึกสองร้อยปีก็ไม่ได้บันทึกสามรอยปีก็ยังไม่ได้บันทึกนะแต่เขาใช้คําว่ามุก ข, ขปาถะคือการจํามาอย่างคนเนี้ยมาปฏิบัติธรรมเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าพระเจ้าเขสอนให้รุกขะมูระคตัวสุญญาขะรกะตว่าอูชุ ป, ปลังกัง นี่สิทติอุจุปลังกังนั่งพุจิตวะโน่นน่ะควรไม้นั่นเรือนว่างท่านจงไปฝึกสติระลึกรู้นั่นลมฟางในกองฟางนั่นป่าช้านั่นป่าดวงดิบนั่นเงื่อนผาแล้วแต่ใครจะเอาที่ไหนแล้วตั้งกายตรง ดำรงสติปริมุขขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งสติรู้ตัวระลึกรู้เฉพาะหน้าที่เกิดอะไรเกิดขึ้นก็นรับรู้อะไรเกิดขึ้นก็นกนกนรับรู้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตขยายความก็คือกายเวทนามีกายอย่างเรานั่งนี่ระลึกรู้อยู่เนี่ยระลึกรู้ดูตอนนี้อะไรเกิดไม่ไม่เกิดนะมีแต่อาการกายอาการกายสามสิบสองนี่สว่วนไหน เราพระเจ้าท่งนกันจจายนายให้ฟังในมหาสติประธานสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญสติทำสติให้เป็นมหาสติเีย๋ยนี้เราสติน้อยสติน้อยหยุดความคิดไม่ได้หยุดความปรุงแต่งไม่เป็นสติมันน้อยหยุดความห่วงความเหงาความเบือ่อความหนายความทุกข์ความอืดอัดขัดเคืองความยึดติดอดีตอนาคตไม่ได้จิตมันติดติดเพราะอะไรเพราะว่าเราหลง หลงหลงตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาเนี่ยเราหลงคิดหลงปรงุงหลงแต่งหลงว่ามันถูกมันผิดมันดีมันชั่วเราเลยไปติดยึดอยู่กับสมมติพว่นี้มันออกไม่ได้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมาออกจากสิ่งเหล่านี้เขารวมเรียกว่าทุกข์ที่ฝังรากลึอกอยู่ในใจเราไม่ได้เกิดขึ้นกับกายแต่เกิดขึ้นกับจิตนะเป็นความรู้สึกที่นี่ความรู้สึกนี่มันเกิดเกิดดับ อย่างตอนนี้ก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเฉยๆอยู่เดียเ๋ยวนี้แต่อีกสักหน่อพอเราคิดขึ้นมามันก็มีความคิดอันนนั้ใหม่ขึ้นมามันก็ติดอีกแล้วดงนั้นความคิดเนี่ยที่มันเป็นทุกข์เนี่ยตรงที่เราไปยึดมั่นถือมันเราเข้าไปปรุงมันมันเลยยืดยาวนานพอเรารู้ว่าเออมันมีช่องว่างอยูน่นะความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดก็เลยมาพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้ความลับวันนี้ว่าความทุกข์มันไม่ได้เกิดตลอด แต่เกิดแล้วมันก็ดับบางทีมันก็ฝังอยู่ในใจแต่เวลาเราทํางานอื่นมันก็ลืมเรื่องนี้เอ๊ะมันแค่มีช่องว่างโยเนี่ยมันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงความรู้สึกความรู้สึกอยู่ที่ไหนความรู้สึกมันมายึดติดอยู่กับกายอันนี้ร่างกายอันเนี้ยเขาเรียกว่ารูปอ่ะเนี่ยบางที่เขาเรียกว่าธาตุเราเคยได้ยินนะคนเราเป็นทุกข์เพราะธาตุสี่ขันธ์ห้านี้เราทุกข์เพราะธาตุสี่อันนี้ ดินน้ำไฟลมมันนี้มันมารวมกันเนี่ยแล้วเขาสมมุติท่านว่าเป็นนายนั้นนางนี้ขึ้นมาะเป็นคุณหญิงเป็นคุณนายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นโยมเป็นพระแต่เราสมมติให้นี่มันมายึดติดอันนี้ท่านก็เลยเอื้นมาตั้งสติและลึกรู้ดิมาเฝ้าดูดิว่าจริงๆนี่คนเราเป็นทุกที่ไหนชีวิตเนี่ยคนเกิดมาเป็นทุกเร่านั้นนะ ที่ไปเรียนหนังสือบางหาเงินหาทองหาค่ า, ข, า, าของเป็นน้นเป็นนี่ที่เรามีปัญหาชีวิตเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรายึดติดนะครมันยึดติดเนี่ยมันผูกพันเราก็เลยต้องมาเฝ้าดูอ่ะจริงๆเราทุกที่ไหนกันแน่พุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนางมงายไม่ได้เชื่อเรื่องปีเรื่องเทวดาเรื่องอะไรแต่พุทธศาสนาสอนให้มาเฝ้าดูความจริงที่เรามากําหนดรู้เนี่ยเพื่อจะมีสติเฝ้าดูความจริง แล้ว no, พูดถึงเรื่องการฝึกสติทีเนี่ยสติสติเราเคยได้ยินนะ่ะพูดค้างไว้เมื่อกี้ว่าฝึกสติพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีความผิดเพี้ยนอยู่หน่อ ย, อยตรงคำว่าสติกับคำว่าสมาธิสมัยก่อนพุทธศาสนาเกิดเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าสมาธิ โบราณเนะี่ะเขาใช้คําว่าชานเคยได้ยินไหมเข้าชานเคยได้ยินไหมบ้านช่องเรือนชานเคยได้ยินนะชานมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรหืมเออในบ้านอันนี้ในบ้านนะอย่าได้พูดออกมาเป็นอันขาดว่าวาดไม่เข้าใจเห็นมีนะ น่าจะทําดีกว่านั้นอ่านไม่ออกใช่ไ okay, ห okay, นะอันนี้บ้านในบ้านอันนี้แหละรเรียกว่าอะไรคะเ น, นี่ยฮึเรียกว่าอะไรเนี่ยเรือนคือส่วนไหนเรือนนอนส่วนไหนเรือนนอนเรือนคือตรงไหนบ้านช่องเรือนชานอันนี้เรียกว่าอะไรตัวนี้นะ เครบันไดนั่นเนี่ยโอ้มันจะเข้าชานอยู่เลยอันนี้เรียกว่าอะไรอันเนี้ยนี่นี่อันนี้ น, นะนะเออใต้ถุนนะเนี่ยใต้ถุนอันนี้เสาเนี่ยเสาอันนี้เรียกว่าอะไรนะมันจะมีตรงหนึ่งนะตอนนี้มันผ่านปุ๊บมันจะลดลงตามลําดับนะมานี้ปุ๊บเราก็มาลดลงในนี้ อันนี้เรียกว่าอะไรนะระเบียงเหร อ, หอมองตาก็ไม่จบสถาปนิกาวาดไปดูพวกเราตั้งหลายพระส่วนมากก็จะจบสถาปัตย์กวาดเพราะว่าฝึกประจำอันนี้ก็บ้านเฮาเอือนว่าเกย เ, ย เ, เีเกยเกยนี่มันสิตตอกันกับเพื่อนที่นอนเล่นนะ แต่เขาก็มุงเอาอยู่หรอกเ ห, หน่อยนื้อันนี้ให้ลมเข้าอันเนี้ยอันนี้อันนี้ว่าอะไรปองเอี้ยมมาเ น, นี่หน้าต่างเธอไม่ดูแล้วมันมีบานพับอยู่ในในในนเนี่ยเนี่กรอนก็มีอยู่ในในหน้าต่างนะอันนี้ก็อันนี้ว่าอะไรตัวนี้นะ่ะชานชานนี่มันมันมีมันมีหลังคาไม่ชาน ไม่มีนะเนยนชานะชานอันนี้แปลว่าฮะเออแปลว่าเพ่งชาแปลว่าเพ่งแต่สำหรับวันนี้เข า, าชานคืออันนี้ตัวนี้คือมักตัวนี้คือมักตัวนี้อันนี้คือผลแต่ตัวนี้คือชานชายอานนี้มันจะอยู่ข้างนอกผลตกมาเปียกไหม เออหมากัดได้ไหม อ, อ๋อขึ้นมาข้างบนเล้วยังจะมากัดอยู่เหรอมันก็กัดได้น ะ, นะน ก, กัดได้ก็ไ ด, ได้บ้างนะแต่ถ้าฝนตกมาเปียกแดดหอกมาร้อนไหมร้อนหนะ้าชานีมันยังร้อนยังหนาวอยู่นะแต่ถ้าลงมาที่นี่ก็เจ็บหนักแหละนียไม่ลงมาคนทั่วท่วไปอยู่ข้างพวกข้างล่างนี้ ถ้าไตา่ไต่ขึ้นมานี่ก็คือเข้าฌานฌานนี้ได้แต่ถ้ามรรคผลมันจะอยู่นี่นั้นพวกทาสมาธิแบบโบราณเขาจะอยู่ประมาณนี้พวกมีฤทธิ์มีเดชนะพวกหายตัวได้นะกินเมงเมาได้พวกอะไรงเี้ยเอาบิดเออบินสู้เมงเม่าได้ น, น, ไดนะ สิบินสูงเที่ยมฝ่ากับตกลงดินคือเกา่าแม่งเมาบินอยู่ฝ่าบ่มีม่มปากอืองอย่างเนี้ยเพราะว่าเ oh. นี่ยมักมาอยู่ตรงนี้นะท่านพวกเพ่งพวกทําสมาธิพวกฌานเพ่งกระสินเนี่ยกสินสิบอสุภะสิบเนี่ยกระสินเราเคยได้ยินน่ะกรรมฐานสี่สิบแบบสี่สิบแบบคือทําแล้วผลมันจะอยู่ประมาณนเนี้ยอยู่ตรงนี้อยู่ที่ฌานเนี่ยเพราะมันเกิดจากอํานาจของการเพ่ง คือเพ่งให้จิตมันนิ่งอยู่กว่านั้นนิ่งอยู่กว่านี้นะแต่นี่ไม่ใช่เพ่งคนละทางกันฟังดีๆนะดูดีๆนะสมาธสนนสมมาิสองอันนี้สัมมะนวิปัสสนาสองอันสัมมาคือเกิดจากการเพ่งเพ่งอารมณ์ ต้องจดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนึกออกไหมเอ น, นั่งสร้างจะวาไปด้วยดิส่วนมากคนมีผ้าสวยๆเนี่ยมันจะขี้เกียจเออดูดิญาตโยมจะไม่เห็นลวงตายโยนกระถุนได้ยังไง อ, อ้าวตายดิมีโยมคนหนึ่งบอกว่าไปฟังในซีดีลวงตาปรากฏว่าได้ยินว่าลวงตายโยนกระถมคว้างกระถนุนใสโยมเหมือนกัน แล้วก็เลยชอบใจอยากมาปฏิบัติว่าไงหลวงตาก็เลยว่าหลวงตางไม่ได้โยไม่ได้ขว้างกระโถ น, นใส่ใครแต่มันอาจจะพูดบ้าง น, นิดนั่นนะแต่ไม่กล้าขว้างไปหรอกตั้งใจดีๆนะไม่ทํามากก็แค่นี้นี่เนี่ยหลวงปู่แค่นี้แหละที่ทําเนี่ยไม่ไม่กล้าหรอกนะ จะทำทำไมทํามันก็เสียหายของวัดเนาะของสงฆนะ์ถ้าขว้างใส่ใครในคนนั้นใช้นี่นะมันผูพังไปเนี่ยเห็นเขาหน้าตายิ้มแย้มมานะเขาจะเห็นพระคว้างกระโถนใส่โยมนี่เขาว่าลู้ตาโอ่ยเธอกระพูดเกินไปเนาะวะเขาว่าได้ยินเสียงด้วยในเทปนะ่ะเป็นยนี้นะ <c oughs> มันไม่ได้ถึงปึ้งปังออกไปเลยที่ขว้างนะั้นหลวงปู่สังที่ขว้างกระโถนนะ เอาสมถะนี่คืออุบายสงบให้จิตมันสงบเราเพ่งอยู่กับอะไรก็ทา ม, มันคิดไปถนนเพ่งไปตรงนี้มันก็สงบตรงนี้ฟังเพลงสงบอยู่กับเพลงไม่คิดเรื่องอื่นนะคือจ้องไปที่ไหนบางทีดูสร่างศพก็เพ่งอยู่กับสรางศพจิตมันก็อยู่นั่นแต่พอหยุดเพ่งเป็นไงสมมว่าตรงนี้เป็นหญ้าเอาอันนี้ทับไว้กดไว้ อีกสักพักหนึ่งเอาออกแล้วเป็นไงหญ้าเป็นไงเรื้อขึ้นเหมือนเดิมเหมือนกันนะเราทับอารมณ์เราเองเนี่ยเรากดอารมณ์เนี่ยเวลาเราไปทําการทํางานล่ะเราต้องเอาออกไหมต้องออกจากการกดไหมต้องเอาออกนะฉนั้นก็หยุดเพ่งเขาเรียกว่าเหมือนหินทับหญ้าคือเข้านั่งสมาธิตอนเย็นนั่งสมาธิสงบแต่พอออกไปกอเหมือนเดิมเพราะมันจะขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอูบายทําให้มันสงบเนี่ยเขาเรียกว่า อันนี้สมถะกรรมฐานกรรมฐานฐานแปลว่าที่ตั้งนะสมถะคือที่ตั้งที่ทำให้จิตมันสงบอย่าลืมนะถ้าทำผิดแล้วมันจะไม่เกิดปัญญานะตั้งจิตดีๆเด้อย่างอย่างเราลึกรลึกถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าเพ่งไปที่พระพุทธรูปเพ่เนี่ยมันก็สงบอยู่แต่มันไม่เกิดปัญญารู้แจ้งคือมันไม่เห็น ความทุกข์ที่มันเกิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงอ่ะมันไม่เกิดการปรองอ่ะพุทธศาสนาเขาต้องให้การเกิดปัญญาต้องการให้เข้าสู่แถวนี้นี่นี่นี่นี่เส้นทางมาอย่างนี้นี่มันมาอย่างนี้อย่างหนึ่งมันมาที่นี่แต่อย่างหนึ่งมันแวะเข้ามาในนี่นี่โยมทําแบบไหนปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างหนึ่งเป็นสมถะแบบหนึ่งมันเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยคนละอันกันนะนั้นสมัยโบราณเนี่ยเขาทําแบบนี้ไง มันเลยไม่ไปหน้ามาหลังหลวงปู่นั่นเฮ็ดแบบนั้นหลวงปู่นี่เฮ็ดแบบนี่เพื่นเก่งแบบนนี้แต่ว่าเขาดับกีเด็ดไม่ได้แต่เขาข่มไว้ไปเจอท่านวท่านเข้าฌานเข้าฌานบางทีนี่ก็คือท่านทําสมถะทําความสงบเพ่งดินน้ำไฟลมนะสมถะมีผลทําให้เกิดเกิดอะไร เกิดฌานอันนี้ทาให้เกิดฌานนะเนี่ยมันมีรูปฌปานจะเดวเกินไปนี่พูดเนี่ยขยายไปมากเกินไปนะเนี่ยอันนี้จะมีคนมีพื้นฐานเยอะนะหลายคนมาหลายครั้งแล้วรูปฌานมันมีสองแบบสมถะเนี่ยเพ่งรูปเป็นอารมณ์อันนี้แปลว่าเพ่งนะเพ่งรูปรู้จักรูปนะรูปอะไรก็ได้ รูปขีเสเป็นอารมณ์แล้วมันก็ทําให้เกิดความสงบก็เป็นฌานเจ็ดฌานสามรูปฌานสามถ้าอรูปฌานนี้มีสี่้วเป็นเจ็ดรูปฌานสี่รูปฌานสี่ก็เป็นฌ า, 7, า, 3, า, 3, า, า, 4, า น, 7, า 4, า 4, นาสมาบัติแปดมันจะมีนะภาวะอาการสานิยะเจนะเนวายเจนะอากินเจนะใช้เนะฌาน คือมีหมดนะเพ่งรูปเพ่งวิญญาณเพ่งอากาศเพ่งลมเพ่งอะไรก็ได้เพ่งสีที่เป็นรูปแล้วไม่เป็นรูปเนี่ยแล้วจิตมันก็สงบเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นฐานฐานที่จะมาทำอันนี้แต่บางทีทาแล้วมันติดมันเกิดนิมิตเกิดสีเกิดแสงเ ก, เกิดนู่นเกิดนี้เวลาเราทามันจะเป็นภาวะอันนี้แต่มันไม่เป็นอันนี้ให้แต่ วิปัสสนาย่างอย่างอย่างเพ่งลูกแก้วอย่างเงี้ยอืมเพ่งลูกแก้วอืใสอะไรประมาณนั้นนึกถึงเรื่องบุญนึกถึงบุญคุณพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสิตีลานุสติจะขานึกถึงบาปถึงบุญถึงกรรมถึงเวรถึงประพุทธประธรรมประสงนึกถึงเทวดานึกถึงบุญถึงทานที่เราทํามาอันนี้ก็เป็น เป็นอุบายให้จิตสงบเพราะไม่ไปคิดเรื่องนั้นแต่มันจะอยู่กับเรื่องนี้เรื่องที่เรานึกถึงเน่ยนึกถึงพอธรรมะเข้ามาเข้าก็เพ่งแล้จิตมันก็สงบอยู่กับตรงนั้นแต่มันจะลงลึกๆไปแล้วก็บางทีตัวหายไปเลยอ่ะบางทีก็เป็นตัวแข็งทื่อไปบางทีก็สงบนิ่งนั่นแหละอะไรเขาเลยติดสงบเวลามีปัญหาเขาชอบไปนั่งสมาธิชอบไปนั่งสมาธิเพราะเขาติดสมถะ เราสร้างจังหวะไปนะแต่ทางนี้ทีนี้ทางเนี้ยวิปัสนาอันนี้วิปัสนาแปลว่าไม่ใช่สงบนะเ น, นี้ยสงบเหมือนกันแต่สงบอันนี้สงบแบบเพ่งอันนี้สมถะเนี้ยแต่วิปัสนานี้ยสงบแบบรู้แจ้งรู้แจ้ง รู้แจ้งเห็นจริงตามที่มันเป็นจริงเข้าใจโอ้มันเป็นแบบนั้นนเองง้อเนี่ยนะจริงจริงชีวิตตอนนี้เกิดจากความหลงถ้าไปทับความหลงความหลงก็ไม่หายแต่นี่เกิดจากการรู้แจ้งวิปัสนาเนี่ยวิแต่ว่าวิเศษปัตนาแวลว่าการเห็นการเห็นแจ้งเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นสิ่งที่มันเกิดในเราเนี่ยตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าวิปัสนาที่เราไปทําวิปัสนาเนี่ย มันมีส ม, มถะในตัวไม่มีแต่มาส ม, มถะมันไม่เยอะมันได้น้อยแต่วิปัสนาเนี่ยมันจะมาไวเขาถึงบอกไงว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าตรงลัดตรงมานี่เลยเนี่ยมานี่เลยส ม, มถะเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์นะเกิดในระหว่างที่เราทำกาหนดรู้ความสงบเนี่ย เ, เขาไม่ให้เพ่งวิปัสนาเนี่ยเริ่มที่การรู้แต่มันยังไม่แจ้งนะ รู้รู้อะไรความทุกข์นี่มันเกิดที่กายเมื่อกี้ที่บอกนะกายเวทนาจิตธรรมดูกายอย่างเรามีร่างกายเนี่ยเราก็เห็นร่างกายของเราแต่เดี๋ยวนี้เราคิดว่าเป็นของเราไงแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ของเราร่างกายเนี่ยเป็นธรรมชาติเราเกิดมาจากธรรมชาติตัวเราก็เป็นแบบ น, นี้แหละเนี่ยมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังเป็นเนี่ยเราเป็นลูกใครพันพ่อแม่มันเป็นยังไงมันก็เป็นแบบนั้นเฉย เราเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่เกิดมาในโลกนี้แต่อเผอิญว่าธรรมชาติเขาให้มาก็คือมีสิทธิ์ที่จะเกิดการบรรลุธรรมไม่เหมือนสัตว์ประเภทอื่นไม่เหมือนนกเหมือนหนูเหมือนหมูเหมือนหมาวัวควายพวกเนี้ยสภาวะธรรมของการรู้แจ้งเขาไม่มีมันมีรู้ตัวหน่อยๆแต่กระทบมันว่าแล้วมันจะลืมเลยสังเกตไหมเวลายุงมันมากัดเนี่ยถ้าเราไล่เบาๆเดี๋ยวมันจะนึกได้อยู่มันบินไปน้อยมันกลับมาที่เดิม แต่ถ้าเราตะอคอกใส่มันเนี่ยมันไปแล้วมันจะไม่กล้ามามันลืมไปเลยอะ่ะแต่มนุษย์นี่ไม่ลืมยิ่งดา่ามันยิ่งคิดถึงนะยิ่งดูยิ่งด่ยงดายิ่งว่ายิ่งกล่าวเนี่ยมันยิ่งเจ็บแค้น้นําใจมันเนี่ยคือมันมีความรู้สึกสมองมันมีความจําแบบนั้นมันเอามาไว้ให้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็สร้างสติมาให้สติคือรู้นี่นี่นี่ี่รู้เนี่ย มันมีเชื้อของการรู้แจ้งอยู่คือสติสติแปลว่าระลึกรู้ระ ล, ลึกรู้เอตัวเนี้ยถ้าพัฒนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นรู้แจ้งเลยเนี่ยรู้แจ้งรู้แจ้งต่างกันแล้วมันเกิดการทําลายไอ้ที่ที่เราไหลไปไหนอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นรักโรกรโกรธหลงชิงชังพอใจไม่พอใจที่มันหมักมบอยู่ในใจเยอะๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดทำลายและจิตมันจะว่าง แล้วมันจะกลายเป็นความสงบนี้เหมือนกันเนี่ยแต่มันสงบแบบเพราะมันรู้แจ้งนะมันไม่ใช่สงบเพราะไปกดไวอย่างเราโกรธใครสักคนมันจะฝังไว้ในใจเราไปคุยใครก็ลืมไปแล้วเหมือนไม่มีเนี่ยแต่พอเขาทําอะไรผิดมันจะปุบขึ้นมาเฮ้ยวันก่อนมึงก็อะไรกูนะเอี่ยมันจะขึ้นมาเนี่คือมันฝังอยู่ในจิตแต่ถ้าเกิดสตินี้แล้วเรื้อรู้มากขึ้นมาขึ้นมันจะทําลายนั้นแล้วมันจะว่างเลยเห็นเขาก็เหมือนเดินไปธรรมชาติเนี้ยทําไงใจเราจึงจะเป็นแบบนั้น ก็คือต้องมีสติรละลึกรู้บางคนระลึกรู้นน้อยก็เกิดรู้แจ้งล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความเข้าใจระดับหนึ่งโอ้ทําแบบนี้เนาะแล้วมันมีศรัทธาที่จะโตขึ้นเนี่ยสตินี่ไม่ใช่สติธรรมดานะกว่าจะทําตัวระลึกรู้เนี่ยปั้นตัวระลึกรู้นี่ให้มันเป็นเป็นวิปัสสนาญาณได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบได้เนี่ยเพราะมันจะเข้ามาตรงนี้นะ คนปฏิบัติธรรมจะต้องมีตัวนี้มีศรัทธาวิริยะสติเนี่ยสมาธิปัญญามีศรัทธาจริงไหมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือ ม, มาพระตูบบังคับเพราะมาเงื่อนไขถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจิตจะไม่เกิดปัญญาขึ้นมาเลยนะคือเราจะมายังไงก็ตามอะชีวิตเนี่ย สลัดทิ้งซะไอความคิดแบบนั้นนะ่ะพอฟังเนี่ยตั้งใจทําเลยโอ้โหนี่ชีวิตกูนะเนี่ยเรามาเพื่อรักษาชีวิตเรานั่เดี๋ยวนี้ไม่ให้เป็นทุกเดี๋ยวนี้เราตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามานานหลายภพหลายชาติแล้วเราจะปล่อยให้ชีวิตเราเป็นอย่างนั้นเหรอเรามานี่เราก็เริ่มเลยศรัทธาอะไรศรัทธาต่อต่อการดับทุกโอ้พอมาเฝ้าดูแล้วนี่เราเป็นทุกนั่นนี่ทุกเพราะความคิดความปรุงแต่งเพราะความหลบโก ด, ดลงมันยังมีอยู่นะเนี่ยศรัทธาที่จะดับมัน ก็เลยศรัทธาที่จะฝึกเนี่ยแต่ก่อนศรัทธาเพราะศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาเพราะได้ยินได้ฟังศรัทธาคําสอนพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแต่มาที่นี่ศรัทธาต่อตัวเองว่าเราสามารถทําได้ศรัทธาที่จะดับทุกข์ให้กับตัวเองเนี่ยเรามาเริ่มตรงนี้ทีนี้ปุ๊บมีศรัทธาละศรัทธามีสองแบบนะศรัทธาเพราะได้ยินได้ฟังมาสองศรัทธาเพราะปฏิบัติรรมแล้วมันเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าศรัทธาเพระปัญญา นี่ทำยังไงไม่ที่จะเกิดศรัทธาด้วยปัญญาแต่ถ้าศรัทธาเพราะจำมาเนี่ยมาปุ๊บพอมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันศรัทธาก็ถอยแล้วเป็นศรัทธาหัวเต่าเฮ้ยกูเิเอาดีปะนะู้นคือทุกข์แต่นอกนี้ศรัทธาหัวเต่าเนี่ยแต่ถ้าเกิดการเห็นแจ้งเนี่ยขยันเองโดยธรรมชาติมันไปเองนะ่ะสองวิริยะก็ขยันนะเนี่ยขยันทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์ประกอบของสตินเนี่ย มีตัวเลืลึกรู้แต่ถ้าเลืลึกรู้แบบไม่มีศรัทธาเนี่ยความเลื่อลึกรู้นี่จะหายไวต้องมีศรัทธาสองมีวรมิริยะวิริยะกล้าสู้กล้าชนสามสติลเลืลึกรู้ตัวต่อเนื่องแล้วทีนี้ตัวรู้เนี่ยบางคนมีแต่ศรัทธาแต่ไม่อยากทํามันก็ไม่เกิดผลนะอย่างคนไปทําบุญําทานเข้าวัดเข้าวาเนี่ยเขามีศรัทธานะแต่ทําว่าไปเลี้ยงพระนะเลี้ยงพระ เหมือนมดแดงฟ้องมะงโมกพระเจ้าบอกว่าเหมือนคนเลี้ยงโคจะไม่ได้กินเนื้อโคเราฟ้อพุทธศาสนาบำรุงพุทธศาสนาบำรุงพระชาพระสงฆ์แต่เราไม่มีโอกาสได้เจอมรรคผลนิพพานชีวิตเนี่ยนิพพานไม่ได้หมายว่าตายไปแล้วนะนะถ้าตายแล้วมาฝึกไปทำไมเน่ยศาสนาพุทธมาสอนอะไรมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตเราพ้นทุกข์ก็จิตเราพ้นเป็นทุกข์ก็ที่จิตเราเป็นทุกข์ นิพพานแปลว่าดับแปลว่าเย็นก็คือดับกิเลสหมดนะ่ะเขาเรียกว่านิพพานภาษาพราะนะ่ะทีนี้สมาธิแหะสมาธิเพราะว่าจิตมันตั้งมัน่นเพราส ต, ติต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความม่วงเข้ามากระทบก็หล่นไปความพุ้งสั้นพุ้งแต่มันกระดับหมดไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นสมาธิอีกส่วนหนึ่งมันก็จะทําลายกิเลสเกิดรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยนี้เขาเรียกว่าปัญญาแบบพุท ธ, ธะไม่ใช่ความคิดนะนั้นเรามีหน้าที่ก็คือ สะสมพวกนี้เยอะๆบางทีเขารวมเรียกอันนี้ว่าเป็นมหาสติบางทีเขาเรียกว่าสัมปัชญะญนี่ยบางทีเขาเรียกว่าสติสัมปัชญะนะแต่เขาเรียกคือคือวิปัสสนาญาณ น, นั่นเองแต่คนเอาไปเรียกเล่นๆไอ้เมืองมีสติสัมปะมันไม่ใช่มีง่ายๆนะไอ้ตัวรู้เนี่ยมันยากเทียบตายเห็นไหมเรามาฝึกทั้งวันนี้ยังไม่เป็นเลย นั้นพุทธศาสนานี่ยเขาสอนสัจธรรมให้กับคนเพราะพระพุทธเจ้าไปคน้นพบเรื่องนี้ท่านมาบอกคนแต่คนมันไม่ใส่ใจเรื่องคําสอนพุทธศาสนาอยู่แต่ประเพณีพิธีกรรมนั้นวัดโสมนัจึงไม่มีการทําบุญทําทานบุญพระเวชสันดอนบุญข้าบุญนั้นนี่ไม่มีวัดโสมนัสเราไม่ใช่วัดประเพณีที่วัดโสมนัเนี่ยแต่เราเป็นวัดที่สอนเรื่องแก่นของสัจธรรมสอนเรื่องปรมัภิธรรม เรื่องอริยสัจเรื่องประเพณีผู้ศาสนาแบบเป็นเพณีก็แล้วไปนั่นคือผู้ศาสนาเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นบริสุทธนะิ์เนี่ยเขาสอนเรื่องนี้แต่พอมันไปบวกเข้ากับวัฒนธรรมของชนชาติเชื้อชาติภูมิภาคศาสนาเดิมตรงไหนนีความเชื่อเดิมๆ ม, มันจะถูกกลืนเข้าไปอะ่ะมันกลายเป็นความงมงายทันทีเลยทั้นคนก็จะ ไ, ไ, ม, ไม่ได้ไประโยชน์นะพระก็จะมีหน้าที่สวดฉันทาบุญทาทาน แต่มาอยู่ที่นี่เราไม่ได้ทําหน้าที่อย่นั้นคือทําแต่เรื่องนี้เนี่ยนะแต่ก็จะมีนะเนี่ยเขานิมนไปฉันข้าวอยู่เนี่ยเขาขึ้นบ้านใหม่อยู่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าอหลวงตาดูตารางมันว่างวันหนึ่งอยี๋ยนีมนไปเลี้ยงอาหารคือไม่เอาอาหารมาส่งที่นี่แต่นิมนไปฉันที่บ้านเขานะฮะหลวงตาก็พิจารณาดูแล้วเไปดีไหมเนาะวะหลวงพุสัง่งไปบอกคือ ไปที่อา้าไปยู่ะขนาดรับได้หน่ยังหูจากเรื่องกินอยู่ด้วย <c oughs> อาจนิมนต์ไปฉันแต่ว่าจะไปนินมนต์ไปเปิดป้ายไปเจิมไปนนไปนี่ไม่ได้ทำมานั้นนะะทำก็ทำเล่นๆไม่ได้เอาจริงเอาจังเพราะอะไรเพราะว่าประโยชน์มันน้อยประโยชน์มันน้อย ขนาดคนตายแถวบ้านนี้ยังไม่ค่อยได้ไปไม่ได้ไปส่วนมากก็เขาทีมนพระวัดอื่นขึ้นมาสวดในหมู่บ้านเนี่ยแต่มาเผาได้ให้เผาฟรีที่วัดเนี่ยเผาฟรีทำอะไรก็ฟรีไม่มีบริการอะไรเลยเนี่ยเราไม่คิดค่า น, นั้นญาติโยมก็พยายามบอกต่อกันไปด้วยมาใช้บริการบ้างนะเ <c oughs> มียนเราเนี่ยให้เผาฟรี เนะผาพีไม่คิดค่าอะไรคือสร้างให้เฉยๆเนี่ยมาใช้เถอะแต่เราจะทําเรื่องนี้เองทําเพื่อเผยแพร่จุดประสงค์คือคนมาเผาเนี่ยมีอย่างเดียวคืออยากเทศน์ น, นั่นเองให้พระไปเทศน์นให้ฟังหน่อยได้ไหมเทศฟรีก็ได้เนี่ยให้พระลงไปสอนสอนว่าจริงๆชีวิตคืออะไรนั่นเองจริงๆเนี่ยเขาให้เทศแสดงทำมิกถาก่อนเผาศพทำมรรคฐาหน้าเชิงตะกอนแต่นี้เราไม่มี แต่จะเผาศพเจ้าไหนกันหลวพอ่อมาต้องเทิดเนาะเฝ้าเนี่ยหลวงพ่อเฝ้าเทศเนี่เอาจากักไนเนี่ยหมอลำหมอลำเห็นไหมมันเลยไม่ได้เลยแก่นศาสนาเลยไม่มีเขาเอาพระเนี่ยไปเปประดับเฉยประดับพิธีสักน้อยมาเตือนเขาไปเปิดแต่ป้ายหลวงพ่อเพิน่นสวดจกักไนนะโมตัสสะปะกวาตนวนี่แต่ว่า ตอนฟังเทศเนะประมาณสักห้า น, นาทีสามนาทีแต่เขาเอาตอนลถน้ำมนต์มันจะเข้าไปหรือพอลถน้ำมนต์เขาก็มันไม่เข้าไปหรอกเนี่ยขนาดเทศแทบตายมันยังไม่ซึมเข้าไปเลยเนี่ยแล้วมันจะซึมเข้าง่ายๆเถอะท่ น, นเทศสวดให้ก็ไม่พอมันไม่เข้าไปฮะในหัวคนเนี่ยเขาเอาแต่ตอนนั้นตอนอื่นเขาไม่เอา ที่ยิงแก่งคาสอน พ, พระพยาเทพบุตรท่าสวดเสกให้เนี่ยมันเกิดปัญญาพราะพรที่เจ้าท่านสบายไปแล้วนี่ท่านก็อุตส่าห์ไปเทศที่นั่นที่นี่สอนเจนทางท่านนิพานปาริณีพานจนตายอ่ะภาษาบ้านเราเรียกท่านอยากให้คนรู้ในสิ่งที่ท่านไปรู้ว่ามันหมดทุกจริงๆนะเนี่ยแต่ร่างกายนี่นก็เสื่อมโดยธรรมชาติมันมันก็แก่ก็เจ็บตายไปโดยธรรมชาติแต่จิตของท่านตั้งแต่ท่า น, านบรรลุทำแล้วเนี่ยมันไม่ตายเลยไม่แก่ไม่เจ็ บ, ไ ม, บไม่ตายจิตนั้นน่ะ มันปกติเลยไม่เคยโลบเพ้อโกรธคนลงจิตสบายเนี่ยนันคนเราเนี่ยจะไปมัวเมาอยู่กับการรักษาร่างกายให้มากนะรักษาเรื่องจิตนะถ้าจิตพ้นแล้วนี่โยจะวัสดสตังทีเวกุสิโตหินเะน่ะเวรโยบถ้าเข้าถึงทำแล้วเนี่ยมีชีวิตอยู่วันเดียวเราก็พอแล้วดีกว่ามีชีวิตอยู่ทั้งร้อยปีแต่ไม่เห็นทำร่างกายสังขานถึงเวลาตายมันก็ตายไปพอใจมันอยู่มันทําไม อยู่เอาอะไรกับโลกเนี่ยสร้างชื่อเสียงเหรอไปติดมันทำไมเ่ยมันมีอะไรช่วยเหลือคนเหรอช่วยเหลือใครมันไ ม, ม่ยึดติดกับใครเนี่ยใครคือใครก็ไม่มีใครนะมีได้สมมุติทางน้านนะแล้วจะอะไรมาใส่ใจเราเป็นห่วงเป็นใ ย, ยใคร ตัวเราเองนะั่นแหละที่สุดเนะี่ยเดี๋ยวนี้ญาติโยมทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมวันนี้วันที่มาที่สไลด์แล้ววันนี้ยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสี่เดือนธันวาคมนะสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะวนะีเนี่ยสองพ้าร้อยห้าสิสีโอ้ยปีหน้าล่นตาก็จะสามสิบปีแล้วเนี่ยยี่สิบเก้าวีเนี่ย ห่วงอายุตัวเองนะมันจะแก่นะเนี่ยหลายๆคนคิดนะเอ้ยตายแต่เราก็สนใจแต่ตอนเลี้ยงแต่ถ้ามองดีดๆเนี่เฮ้ยกูแก่ไปอีกปีหนึ่งแล้วเนี่ยตายนนเนี่ยแก่เนี่เท่ากับตายไปปีหนึ่งนะตายลงตายลงแทนที่จะสลดหดหูใจนะะเกิดแก่เจ็บตายสลดหดหูใจค้นกับสนุกสนานเลี้ยงสนุกเพลิเพลินเนี่ยน่าสงสารมัจจุราชตามมาเนี่ยยังไม่รู้จักเลย หนูตาเคยว่าให้ฟังไงหมาบ้านทะาเรเนี่ยกัดกันเทียบตายเวลาเขาจับโยนขึ้นรถเนี่ยเขาขนไปฆ่ามิตรหมาอยู่บนรถเนี่นะน้ำตายย้อยใส่กันนะเนี่ยมันรู้นะตายกะคักนะ้องตายกะคักเนาะหมาตัวที่เหี่ยมเหี่มก็ไม่กัดกันหมาวอก็ไม่กัดกันเอาขึ้นรถเนี่ยนนีะ่มีแต่น้ำตาซึมย้อยอยูอยุบๆกัน เขารู้อานาคตควายก็เหมือนกันเอาขึ้นรถเนี่ยแทนที่มันจะชนกันมันไม่ชนทำไมเป็นงั้นน่ะมันรู้มนุษย์เนี่ยเกิดมารู้ตั้งแต่นานแล้วเนี่ยว่าต้องตาย้วเนี่ยตายไห่เธอจะตายไหมเธอเนี่ยตายเป็นไหมอืมไอ้ตัวนี้นี่ตัวนั่งข้างหน้าเนี่ยจะตายอายุ ก, กี่ปีตายปั๊บมือไม่รู้เหรอเอามาเท่าไหร่ปีหน้าเนีน่าจะเกินไม่ปีหน้า เธอเท่าที่หลวงตาดูคิว้วดูอะไรเนี่ยเธอจะตายภายในเจ็ดวันเลยนยจริงๆนะดูเขาแล้วเนี่ยอายุไม่ยืนนะเป็นคนโง่พีงไม่ค่อยปกติเอาผมออกจางหน้าดิเออน่าจะยืนหน่อยตายภายในเจ็ดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสุกเสานี่แหละแถวๆเนี้ยต้องวันใดวันหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะรอด ถ้าเกินนี่ไปก็เธอไปตั้งปฏิทินใหม่ซะนน่าจะอยู่ประมาณ น, นี้คนเนี่ยมันรู้ว่ามันจะตายทุกคนตายนะเกิดมาต้องตายแต่ว่าคนทําไมแข่งแย่งกันนะ่ะทำไมไม่เหมือนหมาบันดาเล่ที่เข้าไปเนี่ยทาไมมีกอกมีแก๊กมีนั่นมีนี่อยู่ถ้ารปฏิจะเป็นเนี่ยทั้งที่มนุษย์มีปัญญารู้ว่าตัวเองจะต้องตายแต่ไม่เคยเกิดสลดหดหูใจเลย น่าสงสารนะ่ะเพราะอะไรเพราะเราหลงไงหลงเข้าไปในอารมณ์เรื่อยรๆเร่ไปในความโลบโกรธหลงเราไม่เคยมาดูตัวเองเนี่ยคําสอนพระพุทธเจ้าภาคอีสานเขบอกว่ามกประแดกตั้งโจโกโ ส, สังมาจำตั้งเตตองเทนอมกประแดกก็คืออาหารอร่อยของชาวอีสานก็คือนิพานนะ่ะนิพานมีอยู่ทํำไมไปจําแต่ตองคือหมายความว่าทําไม ไปศึกษาแต่ตำหลับตำนาแต่ภาชนะแต่ปฏิบัตทำไมไม่ฝึกปฏิบัติธรรมเลยอย่างเงี้ยทำไมไปอยู่กับราบรถสารเสริญทำไมไม่ไมาอยู่กับภาคสัจธรรมเนี่ยหลงไปทําไมเนี่ยแต่คนมันไม่รู้ไงพวกเธอก็เหมือนกับนนะั้นเรียนเรียนไปเฉยเฉยเนี่ยดับทุกข์ไม่ได้ดีแนละ้วมันยังมานี่นะไอ้พวกไม่มีความอดความทนเนี่ยหายไปกี่ตัวสิบห้าเหรอ ยืนรอมเมื่อเช้านี่มีกี่ศพเอ้ยกี่คนเนเจ็ดคนมากี่คนมาหกคนเลยเอ้าไม่ใช่ยี่สิบเหรอเเมื่อเช้าไม่ถึงเลยยี่สิบไม่ถึงนะเสแสจแล้แวคณะบรดีโกหกลงตาเรียกว่าโกหกไหมยขอเรียกว่าสัญญาเสื่อม ความจําไม่เที่ยงไม่เรียกว่าโกหกเราไม่เรียกว่าเขามีตัวตนเขาเป็นขันธาตุขันเขาไม่ปกตินะนั้นคนปฏิบัติธรรมเขาโกรธใครไม่เป็นเน่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่รู้จะมีมันไม่มีคนไงในเนี้มันไม่มีคนไม่มีตัวไม่มีตนที่จะให้โกรธแต่มันเป็นอาการเป็นความสัญญาเป็นลมๆแรงๆเป็นความรู้สึกนึกคิดความจําได้ไม่รู้มันก็เสื่อมถูกบ้างผิดบ้างไปตามประชาติถ้าเราไปยึดเราก็เป็นทุกข์ทันดีอ นั้นมาถึงตอนนี้เนี่ยบางทีเขาเรียกว่าปัญญาญานเนี่ยสับพวกนี้นี่ดูที่นีน่บางทีเขาใช้คําว่าอันนี้บางทีเขาเรียกว่าวิปัสนาญาณทีนี้มันก็หลายขั้นตอนนะวิปัสนาญาณเนี่ยญาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบ็ดสบสองสสี่สิบ้าสิบหกญาณสิบหกนะฮะ ยานที่สิบเจ็ดก็เป็นยานตรงเต่งนะ ม, นะมีด้วยเหรอไม่มีนะนั้นเวลาเราปฏิบัติทำมันไม่มีในมหาวิลลยเขาไม่ได้สอนเรื่องนี้เรื่องการดับทุกข์เนี่ยเขาสอนให้คิดแต่เขาไม่ได้สอนวิธีออกจากความคิดเด็กในน้อยเนี่ยโตขก้นมาก็คิดเป็นแล้วเนี่ยคิดรักก็เป็นคิดชังก็เป็นโกรธเป็นโกรธเป็นยังเธอโกรธเป็นหรยังยาวมาใช้แถวนี้นะ ความโกรธนะถ้าเป็นก็ไปใช้แถวอื่นนุ่นไปกระทืบตีนใส่พ่อเธอโ น, น่นกระทืบใส่พระนี่บาปหนักเลยนะพ่อพระนี่โกรธใครไม่ได้แต่มันกระทืบใส่พระกขาว่าตีนจะเท่าฝาบ้นานเฮือนนี่เนะ้ยโอยแต่เนี้ว่าใจมันหนักมากนะมันถึงมากระทืบใส่พระเนี่ยนุน่นกระทืบใส่พระเท่านุน่ <c oughs> <c oughs> นพิปัญนายานเนี่ยอันเนี้ย นั้ น, น, นเวลาเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาอยากให้ทำมา น, นี้ต้องเดินทางให้ถูกนะทำมิปัสนาทําให้มันเกิดเท่านั้นทีนี้สภาวะ น, นี้มันเกิดตอนไหนมิปัสนาเนี่ยเอาทำดีแล้วบางทีถ้าพูดดีๆโพสเธออาจจะแจ้งพวกนี้ก็ได้นะแต่ว่าตัวระลึกหรือมีตั้งเยอะๆนั่นเนี่ยนะระลึกรู้เนี่ยสะสมไว้เยอะๆ เ, เนี่ยเหมือนภาชนะอันเนี้ยแก้วน้ำมาหนึงเนี่ย เติมใส่นนี้เติมใส่เติมใส่ภาชนะนี่ภาษาพระเขาเรียกว่าใจอ่หรือเรียกว่าจิตจิตจิตจิตจิตจิตฟังนะจิตจิตเราคือสภาพรับอารมณ์ที่รับรู้อารมณ์ถ้าคนตายแล้วมีจิตไหมไม่มีมันมีเฉพาะตอนยังมีชีวิตอยู่ที่มียังมีความรู้สึกรับรู้อยู่เนี่ยนั้นคนไหนก็ตามถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยแสดงว่าฝึกได้เลยไม่ต้องแก่ไม่ต้องหนุ่มไม่ต้องเล็กไม่ต้องน้อย น, น้อยก็ฝึกได้ขอตามันรู้สึกตัวนะทีนี้ไอความรู้สึกตัวในส่วนมากเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเรารับรู้เมื่ออายุเท่าไหร่เอาใครเคยตั้งท้องบ้างในนี้ยกมือขึ้นลูกมันรับรู้ได้ตอนตอนไหนกี่เดือนหยิกมันร้องเลยเหรอห้าเดือนติเอาห้าเดือนมันขยับแล้ว มันออกมาในกี่เดือนที่เราด่ามันแล้วรู้สึกว่าเจ็บปวดนะ่ะลูกอีหาบาสังสอนพ่อแม่มันโกรธขึ้นมาในตอนไหนเอามันอายุเท่าไหร่ที่เราด่าแล้วมันรู้สึกว่าอึดอัดมันทุกข์ขึ้นมาเนี่ยโห้หาปีในด่าเจ็บแหละจีโอถ้าสองสามปีในยังนะอห้าขวบนะ เธอจำได้ครั้งแรกนะ่ยอายุเท่าไหร่เออมึงนี่นะเอียวนี่นะเอ้าแม่อะไรนะ่ะจำได้หนพอแม่เบาที่แรกนะะคำแรกที่พ่อแม่เบานะี่ยคือว่าจำคำนั้นประทับใจเนี่ยจำได้เนี่ยอายุประมาณจะปีเพินพ่นเพิ่นเบาเรื่องหนังสอนมาไดผู้อะไรสอนพ่อสอนคือ เป็นว่าจะไหนคำแรกนะเมือ่อเมื่ออายุเจ็ดปีดิอันจำนี่นะ่ะวันจัดหรือว่านังข้านฮะวันสุกพนะอ่าต้มพาแล้วหลวงปู่สั่งอีนี่มันนะต้มตาเห็นน่นนี่เด้อเนี่ยเห็นไหม เจ็ดปีเอาสมมุติว่าเจ็ดปีนะเสื้อมั่นเหรอเห็ดไปตามเกมมาละประมาณเจ็ดปีจําได้มันเริ่มรักเริ่มชังเริ่มจําแล้วโกรธแหละโกรธแหละอายุเท่าไหร่คะหนูโกรธเป็นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็ได้ต้องแต่บ่นั่มไปบังหลักฐานดอกว่าโอประมาณสิบขวบโกรธเป็นละได้สิบขวบ หลวงพ่อสังโกรธเป็นอายุตอนเท่าไหร่อย่มม <c oughs> อืมตอนนี้ก็ยังโกรธเ่าเป็นอยู่นี่อืมรับขึ้นมาแย้มไหนก็ยิ้มได้รวดเห็นไหมไปอืมประมาณสิบขวบเนี่ยจิตตอนนี้เริ่มรับรู้แหละตอนสิบขวบนะสิบขวบมันเริ่มเข้ามานะอารมณ์เข้ามาคนพูดเก่ง วันหนึ่งกับเรากี่ครั้งไม่รู้กี่ครั้งนะั้นนับครั้งไม่ถ้วนจิตนี่ก็บรับรับรั บ, บเราไม่มีฝาปิดไงเราไม่มีฝาปิดนะ่นเนี่ยใจเรานะ่ะเข้ามาในนี้คือเราไม่มีตัวนี้ไงเนี่ยสติเรายังไม่ฝึกแต่ว่ามีตัวอย่างว่าพระในพุทธศาสนาหลายๆรูปสัมมนในพุทธศาสนารูู้ไปปฏิบัติทําไปกับพ่อกับแม่ไปวัดไปว่าพ่อแม่ไปทำ บ, บุญําทานใสยพุทธการนะ่ะพอมาปุ๊บ หลวงพี่ก็บากม่านิม่านีอี่ะบ่านี้มะมาว่านั่งก็ใกล้นนิแมะเมะอย่างไรเพื่นมาจังหันตัวเสียเอามาพี่ไปนะมะลุงตาสอนสางจังหวะให้เอานั่งเห่เด้อเฮ็ดรู้สึกโตัวเด้อรู้สึกไปเรื่อยๆก็ทำทำทุกวันทุกวันนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยเราจึงเห็นปรากฏว่าพระเนนหรือญาติโยมอย่างนาวิสาขาเนี่ยนี่เขาบรรลุธรรมตั้งแต่อายุเจ็ดขวบโน่นนะเคยได้ยินไหม เคยได้ยินว่ามีผู้บรรลุธรรมตั้งแต่น้อยเนี่ยเคยไหมเออพะราหุนสมมมณีล่าหุนพวกเนี้ยสัมเณีสังกิตจะสัมเณีสุมาณะพวกเนี้ยสัมเณีสิวลีเนี่ยพระสิวลีพระอะไรเนี่ยเวลโกนผมเนี่จี้จ้ก็รู้สึกไปก็สร้างจังหวะไปโกนผมปุ๊บผมตกออกครั้งสุดท้ายเนี่ยบรรลุอรหันต์เลยเนียนเลยเนี่ยคือเขาไปฝึกตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยเ่ย เขาก็เกิดปัญญารู้แจ้งเดี๋ยวนี้ลูกเราเกิดมาเอาไปเรียนอะไรอืมไปเรียนมั่งนอกปุไปเรียนหมอคนไปเรียนเต้นเรียนฟออ้อนพุบบางใดว่เป็นตาจะแตกน่ะปพดว่ามึงเป็นทาโนติจมติยากูจะไปฝากลูกตากคนน้าวเอาอาหาจะแตกอย่างซุ้มมันบเป็นทาเสียวมาะหอยหยางเอาซุ้มจบจบนี่มาฝึกนั่น บ่านั่นบัพระบ้านเขาปวดเพราะเขาเขาดานะเพราะนะศาสนาพุทธกับบูชเจริญสิจะเลื่อนจะได้ศาสนาพุทธเอาคนมาทําอ่ะแล้วคนง้ อ, งองมาบวชนี่มันจะเจริญเหรอเอาคนดีๆมาให้พระศาสนาเพื่ออะไรเพื่อจะสอนคนทั้งโลกนี่ได้เอาคนดีๆมาฝึกนี่เหมือนเราเอาหมอเอาคนหัว ด, ดีมาเป็นหมอเนี่ยแล้วเขาก็รักษาคนทั้งโลกได้ไงอันนี้จะเอามาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่เอาคนเก่งๆคนดีๆมาฝึกถ้าอยากให้ประโยชน์กับโลกเนี่ย อันนี้เอาจ็ดขันว่าเป็นสั์ก็พอแล้วเอาไก่สามขาผมหมูหาเล็บไปฉันพระติดหยาวูดเลยอามาโอ้ยศาสนาสิเจริญให้ตีซุ่มสักไ า, มา่มันน้นเอามาแต่วาดโมนัฏก็มีมอนนี้หนอกหัวมันมีคนสักไา่มีตูบูจบๆหรือผู้เทาๆไปฉัน อ๋อเอาไาอย่างคขาบอเอาผู้หันหันเนี่ยหรือบางทีก็เอาแต่งการแต่งงานมีค้อบปีครัวมีหนี้มีสินแล้วค่อยมาบวชอา้ามันก็ต้องไปหานี่ใช้หนี้ใสสินเนาะ ท, นนทำนนท์ทำนี่เห็นไหมถ้่ศาสนาจะเอามาเจริญตรงไหนที่สมมติว่าโอ้ยหลวงพ่อองค์นั้นกับบาลุทมโมนีกับบรลุทำเราไปฟังก็เหมือนเข้าใจแต่ท่านก็ไม่สอนเราท่านสอนเราไม่ได้ พ่อแก่แล้วอายุมากแล้วทํางานไม่ได้แล้วจบแล้วเราเสียดายความรู้ที่ท่านมีมันจะหมดไปกับท่านศา ส, สนาพุทธก็เลยเหมือนมีของดีอ่ะแต่ว่ามันไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นมาองค์ไหนรู้ก็ดับไปกับองค์นั้นอย่างไงก็เลยออกรูปออกเหรียญไปตามเรืองตามเรืองตามเล่าไปบางทีเราก็รู้ได้ซ้าไปว่าองค์ไหนฝึกสมถะหรือฝึกวิปัสสนารู้จริงรู้ไม่จริงเพราะเราไม่ฝึก เราคนเรม่รู้ว่าเขารู้หรือเขาได้แต่สมาธิไม่รู้จักโอ้องคนั้นบวชนานองนี้บวชน้อยมเนี่ยมันไม่รู้ไงั้นเราต้องเกิดปัญญาต้องฝึกสติสัมปชัญญะต้องรู้เท่าทันว่าจิตของเราเนี่ยคนเราเกิดมามีองค์ประกอบสองอย่างหนึ่งกายกับจิตกายมันประกอบกันขึ้นด้วยแบบนี้เนี่ยกินเข้าไปมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วมันก็เสื่อมเสื่อมเสืแล้วก็ดับไปนะเหมือนเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งที่เราเลี้ยงอีกหน่อยมันก็ตายไปเป็นธรรมชาติ แต่จิตเนี่ยมันมีสิทธิ์ในการรู้แจ้งเกิดวิปัสนาญาณได้แต่ว่ามันสะสมอารมณ์เมียเนี่ยเนี่เนี่ี่ภาษาบ้านเราอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่อันนี้เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าใจถ้าภาชนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮ้เอื้นว่าหยังอันนี้อันนี้ฮ้โอถังนั่นถังนะไปกวนว่าเอื้อนมาถังเอื้นว่า คุ้งเอื่นว่าเออแล้วแต่สีเอิ่นน่ะเอาไว้ใส่อะไรเออใส่ของนะฮะอันนี้นี่ภาษาพระาพาเขาเอื่อนอันนี้ได้เน่ะอันใส่ของใส่นั่นใส่นี่ได้อันนี้เด็เขาเขียนมาสีเอื่อนว่ายังอันนี้ฮึไม่ยังอันนี้นี่นี่นี่เอาใส่หยังนี่เอาใส่อะไร อันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยขันเอาใส่อยังใส่น้ำอันนี้ก็เหมือนกันนะเขาเรียกว่าขันเหมือนกันนะแต่เขามีอย่างนี้เข้ามาด้วยเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่านว่าขันแต่ว่าขันเนี่ยมันเป็นขันเท่าไหร่นะขันห้าอันนี้มันใส่อารมณ์จิตของคนเนี่ยเขาเรียกว่าขัน แต่ถ้ากายนี่ขอเรียกว่ า, าธาตุธาตุเขียนอย่างนี้ไงอันนี้ถาดมางทีมันก็เขียนมาเป็นอันนี้ถังมันก็มาเป็นคนเรามีถาดกับถังเท่านั้นแหละมีกายกับใจเหมือนกับคันว่าอันนี้นี่นี่นี่นี่นี่นว่าอันนี้อันนี้อ่านว่าไงอ่านว่า ขันมากมันก็เพี้ยนมาเป็นนานๆเขาก็เป็นเออนี่นี่ขันมากขันมากก็คือขันตัวนี้นี่นี่นี่ขันคือใจเนี่ยมันมีใจเราได้มีขันห้าแล้วเนี่ยพอเราไปแต่งงานเมื่อไหร่เราจะเฮขันอันหนึงมาอีกเอามาอีกกี่ขันเออไปเอาผัวมาอีกเอาเมียมาอีกเอามาอีกกี่ขันนะห้าขันเขาเรียกว่าเฮขันอะไรนะ ออขันมากจริงๆขันมากมันมากขันแล้วแค่กูใจกูนี่ก็ห้าขันแล้วนี่จะบวกอีกใจมึงอีกห้าขันเป็นสิบขันถ้าลูกคลอดออกมานี่ก็เป็นสิบห้าขันเลี้ยงไหวเหรอดูแลไหวเหรอเวลามันโกรธมันหงุนหงขึ้นมาดูแลได้เหรอขันห้ามีอะไรบ้างมีมีรูปผู้ใดว่าขันปลาสติกรูปมีเวทนา เวลาเราสวดตอนเช้านะ่ะสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยรูปก็รูปขันนี่แหละนี่เรามีรูปวะ น, นี่แล้วเรามายึดมันนี่รูปวะ น, นี่ติดที่จริงมันเป็นรูปเฉยๆนะเวทนาพอใจไม่พอใจอมีไหมมีไหมมีพอใจไม่พอใจมีไหมแต่ละคนมีไหมมีนะทุกคนมันจะเป็นอย่างนั้นทันทีเลยเกิดมาเนี่ยมีเวทนาขัน มีสัญญามีความจํามีไหมจำอดีตอนาคตเนี่ยเห็นไหมมาเริ่มมีแล้วเนี่ยมันมาอยู่ในขันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมนอยู่ในใจเราทั้งหมดเลยเนี่ยจิตใจเนี่ยคือสภาพรับอารมณ์เนี่ยมันรับทีละน้อยละน้อยละน้อยนี่มันสะสมเนี่ยแล้วมันติดอยู่ในจิตเราทั้งหมดเลยเรามาออกไม่เป็นเนี่ยสังขารทีนี้สรรังขารแปลว่าปรุงแต่งมีปรุงแต่งไหมคิดยาวๆเนะ่ยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดมีไหม เธอวันนี้ก็เหมือนกันบอกว่าให้รู้อยู่กับมือมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยเป็นสังขารขันวิญญาณวิญญาณไปว่าการรับรู้รู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้คิดเรื่องนั้นรู้เรื่องนี้มันไปรู้เรื่องที่บ้านที่เลื่อนที่นั่นที่นำ้ำเขาปรุงไปเนี่ยมีไหมเห็นไหมนะ่ะมันไปนั้นจิตของเราเนี่ยมันจะติดพวกนี้ยมันมีขันห้าอย่างก็คือมีรูเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตมันติดเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธทำเนี่ยเราจะกลับมาตรงที่ ถังหรือตะก้าหรือขัน ว, ว่างๆว่างๆทำให้มันรู้สึกเฉยๆเนี่ยในขณะเดียวกัน ร, รู้สึกเฉยๆมันไม่เฉยก็ตามเดี๋ยวมัรู้สึกมากๆขึ้นไอ้ความรู้สึกตัวหรือการเลึกรู้เนี่ยมันจะมาล้างขันนี่ออกเนี่ยที่สะสมไว้เนี่ยมันจะล้างออกอีสัมันจะปิ้งเขาเรียกวปิ้งวาบสว่างขึ้นมาเนี่ยขึ้นล้างออกฮอ้กิเลสกูเบิลแล้ววะดิไปแล้วเนี่ยนะ แต่โยมต้องทำจริงนะถ้าทําไม่จริงมันไม่ออกนั้นเขาอย่าไปคุยกันคืออย่าไปหาเรื่องมาคิดตอนปฏิบัติธรรมอย่าให้ใครมาเยี่ยมอย่ามาพูดกับคุยใครอย่าหาเรื่องหาการงานมาคิดเพราะว่าเราจะล้างขันเราเนี่ยไอ้ความคิดที่มันคิดธรรมดาหรือคิดเรื่ความรักความชังความโกรธความโลภความหลงไม่มีหรอกคิดธรรมดาเนี่ยคิดแล้วมันมีฐานของการคิดรักโลภโกรธหลงเป็นบ่อกเกิดมันมันคิดเพราะเหตุอันนั้นมันกกระสัสมมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดอึดอัดเวลาเรา กระทบทางตาหูจมูกการดิ้นกายใจมันจะเป็นราคะโทสะโมหะทันทีเลยนั้นถ้าเราล้างอันนี้ออกปุ๊บมันก็ไม่มีอ่ะนั้นขันตัวนี้นี่นี่นี่ใจเราเนี่ยมันรับรู้อารมณ์ทีคนที่จะล้างใจนี้ได้เนี่ยว่าปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่ใจใจเนี่ยมันมีความสําคัญมั่นหมายพิษที่จริงมันมีแค่รูปกายกับจิตมีสองอัน มันมีการรับรู้อารมณ์กับการเจ็บการปวดถ้าเราเห็นการปวดก็คือปวดที่เฉยไม่ใช่กูปวดไม่ใช่กูไม่มีกูในนั่นเจ็บก็เหมือนกันเห็นก็ไม่มีรักมีชังเป็นธรรมชาติที่รับรู้เป็นธรรมดาเขาเรียกว่าวิญญาณขันวิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งการรับรู้ทางอรรตนะทางอารมณ์เนี่ยรับรู้แลคือรับรู้แล้วก็ปล่อยวางเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้พอมันรับรู้แล้วมันก็ปรุงไป ตัวรูปขันกัมาเอาเวทนาพอใจเบีพอใจสัญญาสังขารปรุงแต่วิญญาณก็ล่องรอยไปร่องรอยคือวิญญาณนี่คืออวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกคือมันพอใจมันรับรู้ทางไหนมันก็ไหลไปเท่านั้นไม่ใช่วิญญาณเป็นผีเป็นอะไรนะแต่ที่นี้เวลาเราก็เกิดปัญญาเนี่ยวิญญาณก็คือรับรู้ธรรมชาติแล้วมันก็ดับเลยวิญญาณจะดับรับรู้แล้วก็ดับไปเวนั่นก็ดับไปแต่ไม่มีอุปทานขันไม่ได้มายึดมั่นถือมันในในขันดังห้านี้ มันก็จะเป็นธรรมชาติมันนะทีเนี้ยนี้ธรรมชาตินนี้แหละที่เขาบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาให้เข้าถึงธรรมชาติทีนี้ทํำไมไม่ได้เกิดการรู้แจ้งมันจะเป็นธรรมชาตินั่นไหมธรรมะคือธรรมชาติน่ะมันไม่เป็นให้มันไม่เป็นให้ว่าธรรมะคือธรรมชาติมองอะไรก็กลายเป็นรักเป็นชังเป็นโกรธเป็นเกลียดเป็นสารพัดแี่ยมันจะเป็นน่ะนั่นกูก็จะเอานี้กูก็จะเป็นเพราะว่าความอยากของมนุษย์เนี่ยนาถิ มหาสมาณทีแม่น้ําน้ําในมหาสมุทรเนี่ยเอามาเขียนเป็นความอยากระบายความอยากไม่จบในความอยากของกมนุษย์เนี่ยน้ําเอามาเป็นน้ำหมึกในมหาสมุทรเนะ่ยเอามาเป็นน้ำหมึกเขียนบรรยายความอยากแต่ละคนมันไม่จบเป็นอยากทุกวันอยากนั่นอยากนี่สารพัดเนะี่ยเห็นไหมมันมีแต่ความคิดความอยาก นั้นเราเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอยากจนตายแล้ยนะความอยากเราเนี่ยจนตายขนาดตายแล้วอย่าลืมนะกีฬาเนอมึงอย่าลืมกูสั่งไหวได้มึงจะจะเห็นไหมเนี่ยสารพัด จ, จะเป็นน่าสงสารนะชีวิตแต่ถ้าเข้าใจชีวิตตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยเนี่ยสบายเราเนี่เป็นผลพวงของทุกข์เฉยๆนั่นที่เกิดมาเนี่ยพ่อพ่อแม่เราไม่บรรลุธรรมไงสูญจึงได้เกิดมาเ่ย ขันเขาบรรลุธรรมเขาสะได้เกิดตีเมื่อละกำปั่นบายแล้วเนี่เจ้าคือบ่บรรลุธรรมเฮ็ดให้่อยได้เกิดมาเนี่ยคอยเป็นทุกข์ย่อนเจ้าเนี่ยนี่นะเห็นว่านี่คอยได้เป็นนั้นนี่นี่คอยอึดอัดนี่คอยมักบักนั่นแล้วคอยสั้างโวนี่แล้วคอยผิดว่ากวกหังนี่อกหักผิดหวังเพราะอะไรเพราะว่าเป็นน้าเจ้านี่ละบ่ไปปฏิบัติธรรมบัตสมานานนี่นะด่าเล้วเนี่ยเมื่อละก็ได้เด้อแต่ด่าได้ไม่ก็ไม่ได้แหละเพราะว่าอะไร มันเกิดมาแล้วแต่ไม่ต้องเริ่มที่พ่อที่แม่เริ่มที่จิตเราถ้าเราฝึกปุ๊บเราเกิดมาโชคดีนะี่ยได้เกิดมาเนี่ยแต่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเราจะฝึกจิตไม่ให้โลภกดหลงไม่ให้เกิดความรักความชังได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเราไม่เกี่ยวกับพ่อแม่พ่อแม่กของท่านก็จบไปแล้วท่านก็ทุกข์เของท่านเราก็เป็นทุกข์ของเราเราก็ฝึกของเรานะฮะบุญบุญ น, นี่บ่มีไผ่ปันแจกแงกออกโบได้คือดังไม่ปีงป่านะ คือกันกันกบเข้ากินเขานี่แ่ละไผ่กินมันกระอิมมันบปะไปอิมทองไผ่นั่นผู้บกินคือปฏิบัติธรรมถ้ามาปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้แจ้งพ่อแม่รู้แจ้งด้ไหมไม่ได้อ่ะตองใครตัวมันเพียงแต่ว่าพ่อแม่จะสบายใจเหมือนในหลวงนี่แหละถ้าเรารู้แจ้งในหลวงรู้แจ้งได้ไหมไม่ได้นะแต่ว่าเราปฏิบัติธรรมเนอุทิศให้ในหลวงอย่างเงี้ยคือในหลวงท่านเป็นเหมือนพ่อเราอ่ะ อยู่านในเมืองถ้าลูกสบายใจพ่อแม่ทุกไหมพ่อแม่ก็สบายใจด้วยไงยนั้นพ่อในหลวงเด้บอกให้ปฏิบัติทำอุทิศในหลวงเด้อนในหลวงเด้อเ น, นี่ยนะเหมือนครอบครัวลูกนายีนั่นก็ดีลูกบางนี่ก็จบไม่ก่อสร้างปัญหาให้พ่อแม่ก็นอนสบายใจเนี่สบายใจก็เหลือแต่ ง, งานที่เขาจะทําส่วนตัวเขาแหละทีเนี้แต่นี่จะมาทํางานลูกด้วยทํางานพ่อด้วยบริหารบ้านเมืองโอ้ยวุ่นวายยาก นั้นอาศัยการฝึกการหัดปฏิบัติตัวเราเองนี่แหละทำให้มันเกิด น, นี่ขึ้นมานี่ๆๆที่นี่นนนเอา้ทาทั้งใจนะหมดกระดานเขียนแล้วนะใจเราคือขันหน้านะมันคิดโน่นคิดนี่นะ่ะบางคนยังไม่ยอมโลลรับนะเอ้ยเมนแล้วผ ม, มเมนพระผมก็คิดแหละเนาะอย่างนมะ้นะโบคืดมันก็บริยุได้กินละพราะว่ไงมันไม่เกี่ยวกันหรอกเป็นพระเป็นโยมนี่ไม่ไม่เกี่ย เป็นพระก็คือคือกันเป็นโยมก็คือคือกันเป็นพระก็ดับทุกข์ได้เป็นโยมก็ดับทุกข์ได้มันไม่ใช่วิถีชีวิตพระที่วิถีชีวิตโยมเรานี่สมมุติเฉยว่าเป็นพระเป็นโยมเอากางเกงยีนมาใส่เนี่ยก็เป็นโยมเอาผ้าเหลืองไปใส่โยมก็เป็นพระเราสมมุติเฉยแต่ถามว่าสภาวะที่มันเหมือนกันคือทุกข์เหมือนกันโกรธก็โกรธเหมือนกันไหมเหมือนกันโลภก็เหมือนกันหลงเหมือนกัน เพียงแต่เขาสมมุติให้เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นโยมเป็นพระทำหน้าที่อนุนี้เฉยๆแต่เหมือนกันแต่การดับทุกได้ดับเหมือนกันไหมเหมือนกันเพียงแต่ว่าพระกลุ่มหนึ่งเขามีความรู้สึกว่าทำหน้าที่อันนี่ยเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปวิ่งวันตามสมมุติโลกเขาก็ตั้งใจทํานี้แล้วอุทิศ ต, ตัวเองสอนคนอื่นช่วยท่านนี้ทำให้สังคมมันดีขึ้นเขาไม่อยากทํางานแบบมีปัญหาแบบโลกโลกโลกโลกทำงาน ม, มีปัญหาไม่มี รถตเอาเงินมาแจกคนละล้านละล้นเนี่กลับไปนี่หมดไหโลบ ก, กดลงนี่หมดไหมเนี่ยบางคนเมาออกตะขอบบัตรผิด ไ, ไหมว้ยกูได้เงินมหมูไว้มีอย่างเมาไปจะผิดว่าตายเพรดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอะไรดีขึ้นชีวิตเนี่ยมันเหมือนเดิมบางทีงงจะสร้างซ้ํานาจิแจกกูกวนไหมพ่อเนาะ บางเถ้พาพระก็ที่คืดก็กันหมวยแจกตัวย่อมเนาะพระพอแจกเห็นมัมันจะยุ่งยากไปหมดเลยคนเรานี่วิวธีการคือเอาเชื้อกิเลสออกจากใจด้วยการฝึกสติเนี่ยสติที่เนี่ยสติสติไปว่าระลึกรู้ระลึกรู้เนี่ยสติเนี่ยทีนี้ก็ทําให้มันระลึกรู้ให้มันมากๆมันไม่ใช่เพ่งนะบางคนเพ่งได้ดีนี่ถ้าทํานี้ก็ผิดนะนี่จ้องแต่จําเป็นต้องเพ่งไหม มั น, มนตอนบางคนก็จำเป็นเพราะมันคิดมากจ้องมันบ้างแต่ว่าพอมันอยู่ๆแล้วก็เลยลึกรู้คือควายนี่แหละวัวควายเนี่ยตอนมันพยศูกไว้พ่อตีปีพอกระเทือบทื่เวลาเราเดินจกมไปกระด่ายตัวเองบ้างหน่อยอีกปอบมึงเอ้ยบอว่าบบมึงขืดเนาะยั กูพ่ามึงมาเดือดเจ้า ก, กม่มึงก็จะไปค้ดไปหยางมึงได้สแตกอย่างนี้นีมึงมาเบิง้งติพะเปืองเขาพะพราแยงนี่เพิ่นไปบินบาดมาสู้กินแมซี่ก็ะตื่นเตลึกเต้เศรอบัวมึงสิไมาหยางหยางลบไปลบมาค้ดเวอรอท่บ้านเือนว่อยู่บ้านดีกว่าบอีปอบทางมึงสิเราก็ด่ามันบ้างดิใหญ่จะพาด่าไหไรเขาได้เจ้าของอรรถมาตไปต ได้เวลาได้น่ะหายเ้าในใจได้เยาว์เ้าหรือเบิ้งปุ่นนันปุ่นีอี们们้ปอบมือ่จริงจริงได้เจ้าเขาเขาจะทำเหมาเละหันมาทางเจ้าของพี่บางคนเดินจูกรมก็เหมือนกันน้อโกรธให้ตัวเองเดินจูกรมทืบตึ้งตึ้งตึ้งไปก้มหน้าตอนกระทืบไงเหันมองหน้าเขาแล้วกระทึบไปด้วยเห็นมันจะไม่ดีอ่ะต้องทำให้มันเหมาะสมชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นแหละที่นี้แล้วลึกรู้เนี่ยแล้วลึกรู้อะไรอ่ะ แลเรื่องรู้มีสองเงนันเมื่อกี้นี่ถังกับธาตุภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะเรียวอะไรนะโอ้ยปวดบรปึกเออรูปรู ป, ร, ปรูปูโอ้หงบบ่เอากัานรูปอันนี้ล่ะน้ำมีสองเงนัน อันนี้ก็รูปก็คืออะไรนะอันนี้ล่ะใหญ่หรือจิตจิตก็คือความคิดนั่นแหละเนี่ยแต่ว่าความคิดเนี่ยมันเกิดจากจิตจิตเราเนี่ยมันตอนนี้มันเฉยเฉยแต่เราก็รู้ว่ามันเฉยเฉยตัวรู้ว่ามันเฉยเฉยนี่คือสติสติได้รู้ว่ามันเฉยนะเวลามันคิดรู้ไหมมันคิดรู้ไหมรู้เวลามันง่วงรู้ไหมมันง่วงรู้เนี่ยอะไรรู้สติมารับรู้อาการของ ของกายนี่เวลามันเจ็บรู้ไหมมันเจ็บรู้อะไรรู้สติมันเริ่มรู้ไอ้ที่เจ็บเป็นอะไรเป็นเออเป็นกายเป็นรูปอาการที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่า เ, ออเวทนาเวทนาก็ให้เป็นเวทนานะอย่าว่ากูเป็นนะวันก่อนเห็นพระท่านใส่ใบมีดโกนไว้ในกระเป๋าอะ่ะเนี่ยในพระอังสะเนี่ย ไม่โกร ว, ว่าจะโกรธผมเดินไปเดินมาไม่รู้ถุยขึ้นมายังไงไม่รู้นะเนี่ยทันทีเลยเนี่ยงดไปเลยเนี่ยไปเย็บปรากฏว่าเขาเย็บหก เ, เข็มเข้าลึกมากติดไปสเตอร์มหาหลวงตาครับรู้ให้ผมหน่อยครับนี่สมควรไปเย็บไหมหลวงตาบอกไอ้หยานะ <laughs> สมควรเอ๋อมันก็เข้า ต้องลึกเนาะเนี่ยอันนี้ออกมาเลยดิอันเนี้มันตัดเส้นเลือดด้วยเปียกหม ด, ด้วยทีเลือดออกมาแต่เขาก็ยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสหลวงตาโอ้สอนมาทำได้ดีอะ่ะคือปล่อยวางได้หตาครับอันนี้สมควรเจ็บไหมครับหลวงตามึงน่าจะไปนานแล้วอย่างเนี้น ย, ยแต่เขาก็ปล่อยวางได้อะ่ะ สบายเห็นไหมคนปฏิบัติทำไม่ไ ม, ไม่ได้กระเสือกกระสนไม่ได้ดิ่นล่นไม่ได้ตีอกชกตัวใจสบายไงจิตสบายใจสบายอ่ะเพราะว่าอะไรเขามีเลนเลืกรู้อยู่ว่ารูปก็คือรูปน้ําก็คือน้ําไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่กูอ่ะไอ้นี่ไม่ใช่กูกูไม่ได้เข้าไปอยู่ในอาการที่เป็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันน่ะ ธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงของธาตุของขันในขณะเดียวกันเวลาคนด่าเจ็บไหมเจ็บกายกับเจ็บใจไหนเจ็บมากกว่ากันหหน้าเจ็บใจพะนะใจนี่ของไม่มีตัวตนนะเหม็นขี้กับเหม็นตดอันนหมเหม็นนานกว่ากันหึเหม็นนั่นไหนก่อนเหม็นขี้กับเหม็นตด โทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขาใหญ่โตมากโทษคนเรามองเห็นเป็นเส้นขนเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อกู้เหลือทนตดของตนเหม็นก็ไม่เป็นไรถึงเหม็นไม่เป็นไรดูที่เขาว่านะใช่นะเหม็นขี้นี่คือเหม็นรูป่ะรูปรูปมันอยู่กับเรานี่มันเป็นนานนะแต่ใจเนี่ยเวลามันเจ็บปวดเวลามันทุกข์เนี่ยคนดุด่าว่ากล่าวเนี่ย ทำไม่เราไปจดไปจำาห่ะมันมาแล้วมันก็หายมันมาแล้วก็หายปัญหามันก็คืออันนี้นี่ของเราเนี่ยเราคว่าขันไม่เป็นเราก็ปิดฝาขันเราไม่เป็นด้วยวลธี เ, เขาด่ามามันเก็บเก็บเก็บเก็บยิ่งคนเซนสิตีปเนี่ยยิ่งหนักนะชอบรับอารมณ์คนนะ่ะแล้วผู้หญิงเดี่ยนี้งุนหิดง่ายโกรธง่ายซางจะว่าดีดีล่ะมือ ย, ย้าแงเข้าไปในหันซางจะว่าพี่ มันหนาวส่วนมากเขาเสียลุกเข้าไปพุ่นลุกเขาไปเห็นอย่างนอนกึงขึ้นกันคนๆเราเมื่อสอดเข้าไปว่างามขาอะไรรับอิงจริงเนี่ยนอนสบายตัวเนี่ยมันเข้ามาในนี้นี่เต็มอยู่ในนี่คนปฏิบัติทำเขามีขันบริสุทธิ์เคยได้ยินไหมพระอรหันเนี่ยขันบริสุทธิ์เนี่ยขันเนี่ยมันบริสุทธิ์คือคว่ำขันแล้วมันออกไปแล้วใจมันสบายเลยนี่ พระอนาคามีก็ลดหลั่นลงมาไม่บริสุทธิ์หมดแต่่ใกล้บริสุทธิ์แล้วพระสกิทาคามีพระโสดาบันพวกนี้เขาจะลําดับลำดับลำดับลําดับความโลภโกรธหลงจะจืดจางถ้าเป็นอาหารหันต์ก็คือจืดหมดเลยดับหมดเลยแล้วก็ใช้ขันปังเปล่าขันว่างๆนะขันว่างๆก็คือแล้วแต่ใครจะไปทําหน้าที่หรือทีเนี้จะไปทําหน้าที่ทําอะไรเป็นพระพุทธเจ้าเหรอเป็นพระอาหารหันต์เลสอนคนหรือเป็นสถาปนิกหรอ เป็นหมอหรือเป็นพยาบาลหรือเป็นครูแล้วก็ไปทําหน้าที่สิดีดด๋นี่มันไม่มีทุกแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้เราไปด้วยความโลภแต่ละคนเนี่ยทํางานแล้วก็ได้ความโลภโกรธหลงทําด้วยแต่หวังค่าจ้างรางวัล น, นะวัดโสมรนั้นได้ทางานทั้งปีทั้งชาติไม่ได้ค่าจ้างรางวัล น, นะเนี่แต่ได้ก็คือโอ้ยรุ่นนี่ก็มี่ปูลู่ธรรมะสองคนลุนนี้ก็บห้าคนรุ่นนี่สิบคนอันนั้นคือรับจ้างค่าจ้างรางวัล น, นะที่ประโมใจพระ โอ้ทางานนั้นมันมีประโยชน์ไงจึงทําเห็นคนได้ประโยชน์เนะี่ยเท่านั้นเองทีนี้ขันเราเนี่ยทํายังไงวิธีความขันทีเนี่ยปัญหามันก็คือขันก็คือมันอยู่ในนี้แหละในใจเราเนี่ยมันเป็นสมมุติเฉยๆนะอารมณ์นั่นมาก็เก็บไปอารมณ์นี้ก็เก็บไปนี้ก็กไปมันขันมันเต็มเนี่ยบันทีเขาเรียกว่าอารมณ์บูดคอมพิวเตอร์ก็คือมันหนัก ข้อมูลมันหลาไปะนะโลตาได้ยินเขาข้อมูลมันไหลโลตาของโลตานะมันอะไรนะมันได้เท่าไหร่นะมันมีกิ๊กมีใบมีอะไรโลตาก็ไม่เข้าใจนะได้ตอานั้นบรรจุได้ตอนนั้นตอนนี้โลตาต้องไปใส่โปรแกรมใหม่ต้องให้มันได้เยอะอันนี้มันหนักแล้วเขาว่าเอา้าคอมพิวเตอร์หนักก็มีเลยวะไม่ค่อยเข้าใจนะเลยไปในเมืองวันก่อนเขาให้ไปซื้อมาแท่งน้อยๆนันะ่นนะ่ะอะไรนะเนี่ยนี้มาดูดออกเขาว่าเนี่ย อีนน้หลวงตาพูดแบบหลวงตาไม่เข้าใจนะคอมพิวเตอร์หลวงตาได้แต่เสียบกับปลดปลั๊กเท่านั้นนะอย่างอื่นทําไม่เป็นนะแล้วพอไปซื้อมามันว่าอันนี้มันก็เต็มแล้วหลวงตาต้องไปซื้ออรุ่นเท่าฝ่ามือมันมาขอเงินอีกเอา้ามันเอามาทําไมว่าเครื่องนั้นแหละเอาไว้ทําไมวะเนี่ยถ้าตั้งไอ้ตัวนี้มันข้อมูลมันดีกว่าเอาเอาเงินไปเอาไปเท่าไ ห, หร่อีกพันห้าหรือสองพันห้าไม่รู้นะเห็นแม่ทีเอาไปเพราะแสดงว่ามันกูตัวเอาเงินเราแล้วเนี่ย เขาไปเอามาอีกเหมือนฐานเนี่ยเท่าฝมือนี่นะอันนี้มันเก็บได้เท่ากับเครื่องนี่ห้าเครื่องว่าไปนะแล้วแต่เขาจะว่ามันจะไม่หนักต่อไปมันจะเบาโอ้เราก็มองคอมพิวเตอร์เป็นขันฮ่าไม่ไม่หนักแล้วทีเนี้เอ้ยขันมันก็จะเบาละเนี่ยเอาข้อมูลออกไปแล้วดูออกไปเก็บแล้วไปอยู่ในแท่งอันนั้นน่นอ่ะหมดเลยแต่นี้มันล้างออกนะ่ะขันมันก็ว่างๆเลยนีย่เนี่ยเนี่ยแต่ก่อนเราเก็บมาใส่หมดเลยเนี่ย ที่นี้มันจะเป็นความจําที่บริสุทธิ์มากอะไรอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เฉยมันไม่รับเพราะมันรู้ว่ามันเป็นทุกข์ที่นี้นะสติเนี่ยมันรู้กายรู้ใจสองงานเนี่ยกายมันก็รู้ใจมันก็รู้เวลารูปเกิดขึ้นก็รู้แต่ว่ารูปเดินนี่ก็สอดแต่ว่าลูปเดินดูมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยแต่อีกชนิดมันก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นก็ดูมันนะเวทนาก็ช่างแต่อย่าให้มันหลุดนะให้รู้ไปอีกรู้ไปเรื่อยเรื่อยเืเฉยกับเวทนา นั่งไสหร่ามีเวทนากระช่างมันม่วงกระช่างมันดูมันเละด้สักพักเนี่ยมันจะหลุดพวออกไปหรอกตัวง่วงตัวคิดก็เหมือนกันนะอิสลามจะขาดกระจุยอยู่ไปเองนะแต่สําคัญคือสติคุณต้องคมคมจนทั้งเวลามันง่วงมาเนี่ยมันหลุดไปเลยอ่ะเคยเห็นไหมมีลูกป่งรู้จักลูกป่งไหมนะเด็กทุกวันนี้จะรู้หรือเปล่าไม่รู้นะลูกป่งรู้ไหมเอามันสีอะไรเอา ลูกป่งสีอะไรแล้วแต่หลายสีนะเวลามือจิ้มนี่แตกไหมเอาเข็มจิ้มกับมือจิ้มมาในแตกง่ายกว่ากันเออเข็มเพราะอะไรเอเอๆนี่ยเนีะสติสมาธิเธอเนี่ปัญญาเธอนี่เอารวมกันให้มันแหลมคมเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัญญาแหลมคมเวละเสียบอารมณ์เนี่เสียบความคิดปรุงแต่งน่ะมันจะดับปุ๊บไปเลยความม่วงดับไปเลยความปรุงแต่งดับไปเลยนั้น เราเกิดมาเรามีลูกมีหลานมีครอบมีครัวที่สามารถดับความทุกข์ได้ไม่ดีเหรอต้องการลูกเป็นดมอเถื่อหรอือหมอเถื่อแล้วทุกข์หรอือมีประโยชน์ไหมเรียนสูงนะแต่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยกับเรียนไม่สูงแต่ไม่เป็นทุกข์จ้เอาไหนเนี่ยเราเลี้ยงลูกเนี่ยมีพ่อมีแม่อยากให้ลูกพ้นทุกข์อยากให้พ่อแม่พ้นทุกข์เนี่ยฝึกปฏิบัติรำถ้าสติปัญญานี่มันแหลมคมตัวระลึกรู้เนี่ยพอเห็นปุ๊บดับได้เลย ง่วงมาดับง่วงเจ็บปวดมาดูมันดับไปหายไปมันไม่มีอุปทานในขันนี้เลยเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารอดีเด่นาคตออะไรเกิดมาดับหมดไม่ทุกข์เลยอะ่ะเพราะพรพุทธเจ้าท่านมารู้อันนี้ท่านเลยบอกเฮ้ยปัญหามาอยู่ที่ฝึกสติน่ะไม่ใช่ไปเพ่งนะท่านกบอกว่า พ, พวกฤาษีพวกนั้นทำผิดเนะี่ยท่านเลยบอกโ oh, อ้อาจารย์ไม่เอาด้วยแล้วฝึกแบบนี้โคลา ลาไปฝึกเอาเองท่าพุทธเจ้าเลยไปปฏิบัติทำเอาเองไงท่านไม่เอาแล้วแบบมีฤทธิ์มีเดชแบบนม้นไนี้ท่านเลยมาฝึกเองกําหนดรู้รู้เท่าทันความคิดมันคิดขึ้นมากระดับคิดขึ้นมากระดับเหมือนที่ว่านะพระพุทธเจ้าบอกว่าเฮ้ยต้องทวนกระแสนะอย่ามาคิดอย่าไปคิดตามมันเอาถาด ท, ทองคาไปลอยน้ําเนี่ยกินข้าวแล้วเนี่ยโวถาด ท, ทวนกระแสจะได้บรรลุธรรมท่านมันนึกได้เพ้อคนเราถ้าจะบรรลุธรรมจะรู้แจ้งเนี่ย ต้องทวนกระแสความคิดทวนกระแสความอยากทวนกระแสกิเลสเอาขันขันลอยทวนน้ำเนี่ยก็คือขันคือขันห้าเนี่ยอย่าไหลไปตามอารมณ์อย่าไหลไปตามน้นําไงเขาสอนเรื่องนั้นเนี่ยเอาสร้างจังหวะดีๆมองไกลๆตั้งใจทำสี่ทุ่มนนได้เนี่ยตายพอดีได้เนี่เผื่อถึงเจ็ดวันเนี่ยถ้ามันเบามันก็สบายดินั้น เวลาเราปฏิบัติธรรมถ้าเพ่งเอาปุ๊บก็เป็นฌานนะมันหยุดได้เป็นจังหวะบางเวลาแต่พอออกจากฌานก็เหมือนเดิมนั้นหลายๆคนไปปฏิบัติธรรมดีดีดนะเวลามีสมาธิดีดีพวกเข้าฌานมันจะค่อยๆไปนะเวลาคนมาพูดอะไรมันก็ค่อยๆเวลาออกจากสมาธิก็ อันนี้วิปัสสนาอย่างหลดุดไปแล้วแต่จะเป็นนันเนี่ยอันเนี่ยได้เลยสบายเพราะวิปัสสนามันมันรู้แจ้งนะยังไงก็ได้ตีลังกาไปก็ได้ เ, เนี่ยแต่นะ่ะมันต้องค่อยๆนะโจนมากอะไปบางทันแล้วค่อยๆเนอะมันสมถะเด้แต่วิปัสสนาในสบายไปดูนี่สิหลงตาจะให้ดูแนะ น, นําหนังสือเล่มเนาะฝรั่งเขาวาดนะ เขาพูดถึงเรื่องศาสนาผู้ศาสนาในเอเชียนี่เขาเขียนแบบรถสามล้อไอ้ น, นี่ยศาสนาพูดแบบเทรวาดนี่รถสามล้อบรรทุกได้ทีละคนช่วยได้คนละคนทีละคนทีละคนแต่ผู้ศาสนามหายานเนี่ยเขาเรียกว่ารถไฟสายด่วนรถไฟลอยฟ้านะ่ะคนขึ้นเต็มเลยพุ่งแต่ละทีไปเทีนะ่ยวน่ะอันนี้รถสามล้อช่วยได้ทีละคนคือกว่าจะเห็นคนคนนี้ เสงฮะเพื่อจะได้คนเข้าใจธรรมะเนี่ยได้คนเดียวของเขาเขาสอนแบบธรรมชาติธรรมดาเนี่ยนะฮะไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องนะนะอันแบบจ้องจ้องเพ่งเพงเนี่ยแก้ทุกข์ได้น้อยเนี่ยน้อยคนเหมือนสมล้อนั่นแหละช่วยได้น้อยแต่ถ้าวิปัสสนาแบบจริงจรงเนี่ยเหมือนรถไฟสายด่วนนะ่ะบรรทุกเป็นตู้เป็นตู้ไปเลยอะ่ะนั้นคนมาปฏิบัติทำสี่ห้าคนหรือว่าห้าสิบคนเนี่ยสามารถเกิดวิปัสสนาญาได้กลับไปเนี่ยเข้าใจชีวิตขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วไปสารต่อแล้วบรรลุทำได้ก่อนตายเนี่ย นิพพานได้เลยอยากให้มันเป็นแบบนั้นชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าจบที่นี่แต่ว่าหลายๆคนปฏิบัติธรรมที่นี่ก็จะเกิดปัญญาลุ้แจ้งที่นี่กลับไปบ้านก็สบายนั้นจึงบอกว่าเวลาเรากลับไปบ้านเนี่ยถามว่ามันจะมีเวลาทํำไหมมันไม่มีหรอกมันมีเวลาเฉพาะที่ทําที่นี่เอาตั้งใจสร้างจังหวะดีๆเดี๋ยวเขาจะเอยือนขึ้นทําคนเดีวยวน้่เนี่ยตั้งใจทําพยายามฝึกสติและลึกรู้ให้มันต่อเนื่องอันเนี้ย อยให้มันม่วงมันเงาฟังเล่นๆนะเ น, นี่ยแต่ว่าไอ้รู้สึกตัวนี่รู้สึกจริงๆอันที่รู้สึกเนี่ยทําให้มันต่อเนื่องอันนั้นอันนี้เข้าใจก็ได้ไม่เข้าใจก็ได้แต่สติอย่าให้มันหลุดเพราะอันนั้นจะพารู้เนี่ยทีนี้สติระ ล, ลึกรู้เนี่ยมันระ ล, ลึกรู้ดูกายดูเวทนาหลายๆคนเริ่มดูความคิดดูความง่วงนะดูอารมณ์ที่เกิดกับจิต ดูจิตและดูอารมณ์ที่เกิดกับจิตเขาเรียกว่าธรรมาอารมณ์ดูจิตเห็นตอนนี้จิตว่างนะจิตคิดไม่คิดแต่พวกเราอย่าไปสนใจมันพอมันคิดก็ช่างตัดทิ้งเลยกลับมารู้สึกตัวใหม่กลับมารู้สึกตัวใหม่อย่าไปสนใจความคิดมันจะหลากหลายมันเหมือนหมอลำหนะ่ะมันมาแล้วันก็ฟ้อนเราก็อยากดูใช่ไหมยอย่าลืมนะวัดพระธาตุเจิงชุมวันที่สองถึงแปดเจอหลวงตาที่นั่น เอาขอนี้มนต์ไปเทศไงเฮ่ยจะไม่ไปเหรอประทาตุปฐมบันเทิงศิลเนี่ยเอาแต่เราตอนเทศตอนกลางวันตอนหมอรำยังไม่มาตอนขขขเขาค่ำก่อนเกณฑ์ในขั้นบันเทิงศินมากอีโฟก็มากไปแต่ซุ้มเล็กน้อยมนอิยันว่เหลืออยืนนี่ปีนั้นครูบาหอ ไปคาราบาลมาตอนเป็นโยมนะโลตาว่ามา้ยังว่าไมา้วัดูลตาครับไปนะขอเศร้าขวังไปเ น, นียไปจะไหนมาขวังอยังโลตาว่าผ ม, ผมเขายืมก็ได้เด้๋ยวผ ม, มีเงินเหมือนไม่ยังเขามาเอาหัวควายเขาควายเขาตายเขาอยากได้บุญนะแล้วก็มาไว้ในวัดคุบาเห็นตอนบวชเป็นเนน เลยมาเขาเป็นสาวกคาราบาวไงสามสิบปีกระบาลก็มาถือเอาเขาทั้งเขาทั้งหัวมันไปเลยนะโอ้หลวงตาว่าไม่ทําระวังเขาฟันหัวเอาเดอ้อหลวงตาว่านะเขาว่าปลอดภัยกลับมานะหลังจากนั้นสองวันตื่นเจ้ามายังเอาเขามาส่งโดยสวัสดิภาพนั้นเขาในวัดหลวงตาอันี่เคยไปออกงานมาแล้ว หน้าเวทีเขานะตอนนี้ท่านก็มาบวชอยู่นี่ไงกูบานะที่ยืมเขาควายไปเนี่ยตอนนี้มาบวชจะมีลายหรอกพวกเอาจริงเอาจังมากนะเป็นขวัญใจมากปีนี้นิมิตหมายใหม่ว่าถ้าเจรชุมกลับมามีแต่มโหแล้วศพครบกงนปนีนะียนะฮะงนแขนแก่นคูนก็มาวันที่หกใช่ไหม อันนี้พูดเถือนผู้หญิงพวกนี้นะพวกเด็กนักศึกษาพวกนี้อย่าลืมไปอยะดาโอ้มันเป็นทิ ง, งหูจัางเฮาจะเลยเนาะไปจะพาลุกผู้สั่งไปฟังลำอยู่นกหน่อยวันที่สองนกอินซี่วันที่หาโอ้ยากสังคมก็จะเป็นแบบนั้นนะ เทพแสดงเทพแสดงธรรมเนี่ยคนไม่สนใจหรอกโลตาเคยเล่าให้ฟังไงเขาลลที่ว่าโลตาไปเทศนะ่ะนี่มันโลตาไปเทศงานครบรอบสองร้อยยี่สิบสองปีเมืองสกลนครท่านผู้ว่านิมนต์ไปท่านจะได้พบกับพระนักเทศได้เทศตั้งแต่สองทุ่มขึ้นมาองละชัช่วโมงชั่วโมงชั่วโมงโลตาในเทศชั่วโมงที่ตีสองถึงตีสาม ปาดผู้ใดจะมาฟังกูวะผู้ว่าเนี่ยคือบูมีปัญญาแท้วะอันผู้เทศยโโ ต, ติกับพ่อใจนะโมตักษามันง่วงนอนเดีเป็นบ่มาจีไในเนาะราะว่าอายุใส่ว่าเพิ่นมาฟังเทียดบ่ลืมอมอดมาซื้อตากระเพาว่าได้มอดมาเฉยเพิ่นบ่มาดอกเพราะว่าอ้าวปีมอดหายเสแตกอย่างวะนี่อมอดหรอผูบ่มาฟังน้า เพิ่นดีเด้เพิ่นใหญ่มาใหม่เพิ่นมหาโลตาอยู่วัไไดพี่เด้คุณผู้ว่าโบมี่ไผ่เข้ากันรับตานะโ อ, โอต อ, อนนไปมืดตาึ้นเห็นแต่มาซองโตนั่งอยู่มันว่ามันสิมาถ่ากินข้าวต้มที่คนก็นเต็มย้่ยแล้วปรากฏสองรอยยี่สิบสองเงนเลี้ยงแต่หลายอยู่แต่มันอยู่ในผ้าพรมโตโตๆผมเองแต่ละคนน่ะนะเพิ่นจัดมาจัดฉากมา เขารับเมื่ผ่าขัมหัวเมื่อมีจเจฮ์เฮาอยู่เรืงธรรมะกับคนนั่นอาณาธนาเทศฟั้งงี้ต้องกันโอ้ยตายอย่างนี้ก็มีนะลุงตาเทศหลังพระพยอมพระพยอมเทศแล้วก็ขึ้นขายของแล้วสนนเนาะย่าดูที่เนี่ยขนาดเทศยังไม่ถึงสามท่มเนี่ยมันบนในใจแล้วจ้าป๋าดีสิเศร้านเนาะ <laughs> งงเพราตายเลยได้หนิวันนี้ เ, เห็นมั้วเจ้าป๋าเทศตีสองวันไพสิมาฟังมิจเจผีทันแล้ว เนี่ย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> แต่เพื่นกับเฮต์สลองเมืองธรรมะตมโมสกนณฑคอนน่วะนะเทตท่านจะได้พบกับนักเทศจนสอดแจ้งจางปางมันนองสอดแจ้งแต่พระนี่แหละย่อม ย, ย, มยูธรรมชาค <laughs> oh, <laughs> นโอ้จ้าศีก็มี่คนมีปัญญาไหลายจัดเป็นสิทนะ่ะเนี่ยอันนี้ก็บับเเว่ยฟางต <Yeah. S 1> ่อไป <Yeah. S 1> คนบม่ได้สนใจดอกเรื่องเทศเรื่องถ้ำเนี่ยสนใจแต่เรื่องกิเลสเรื่องตัณหาไปซะละเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลิน ฉันก็ดีอย่างหนึ่งว่าสกลนครก็มีพระกรรมฐานเยอะเราก็ไปหาศึกษาเอาตามวัดตามวัดที่นนที่นี่มีหลายแห่งหลายที่ไปปฏิบัติธรรมแต่บางแห่งก็อย่างว่านั่นแหละไปแล้วอะปฏิบัติเอาศึกษาเอาเมื่อกี้เขาบวชห้าธนวาในหลวงอยู่ที่วัดในเมืองเนะี่ยแปดสิบสี่ลูกพอบวชแล้วได้แต่บวชเขาราชการทําวิธีบวชให้พวกมีแต่ในร้อยเวลาบวช พอบวชแล้วทิ้งเขาอ่ะบวชแล้วไม่รับผิดชอบไม่ฝึกไม่หัดเขาแล้วแต่จะไปหาอยู่ที่น้นที่นี่โอ้เสียดายรู้แต่เสียดายเสีดยสดายถ้าเขาได้ว่าฝึกได้หัดเนี่ยเขาจะดีนะมีผู้กองมีในร้อยคนสองคนเนี่ยมาอยู่ที่วัดตั้มขามสักพังหนึ่งแล้วท่านก็ขอมาที่วัดเนี่ยทาเคยอ่านหนังสือเคยน่นเคยเนี้ว่าพอบวชแล้วก็ไปใครไปมันอะไรบ น, นพอบวชสิบห้าวันไงแต่คนนี้บวชสามครั้งแล้ว มีโอกาสลาบวดบวดบวดบวดแต่หลวงตาเสดายเสยดายว่าเขามีแต่พิธีบวดเนะี่ยแต่พระสงฆ์เนี่ยไม่มีกระบวนการในการรับเขาเข้ามาศึกษาเนี่ยจะศึกษาแบบไหนปฏิบัติทําอะไรอย่างไรเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดผลเนะีะยแต่ที่ยิ่งคนพวกนี้เป็นผู้นําสังคมเนะี่ยเป็นผู้มีบทบาทในการที่จะทำให้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่กระบวนการศึกษาของพระสงฆ์มันไม่มีให้ไงแล้วก็บางทีก็เอาแต่อยู่คือที่จริงเอามาฝึก ที่วัดเราเนีอยยังได้เลยฝึกสิบห้าวันเนี่ยโมตาว่ามันไม่รู้แจ้งก็เกินไปละ่ะมันต้องรู้มันต้องเกิดความเข้าใจอันนี้ไปอยู่กันแล้วแต่ตื่นมากกกินแล้กกว่นอนมินตบานมากกนอนกลางวันอะไรเนะี่มีแต่โทรศัพท์มีแต่บุหรี่มีะอะไรไนมะ่เนอะเข้ามาทําไมอ่ะเปลี่ยนผ้านุ่งเฉยๆเหรอจะได้ที่เขาลาบวชงบประมาณด้วยราช ก, ก, การออกไปทํางานราชการเนี่ยจะ ด, ดีกว่าที่เข้ามาเล่นเหัวห้ อ, หอยเนี่ยแต่ไม่โทษเขานะ แต่โทษว่าในศาสนานี่ไม่มีขบวนการในการจัดการให้ความรู้ให้เขาเนี่ยได้เข้าใจสัจจะถ้าฝึกทุกวันทุกวันทุกวันสิบห้าวั น, ท, ว น, ท, ว น, วนทำไมมันจะไม่เข้าใจแต่นี้ก็ปล่อยเควยนความแล้วแต่จะไปอยู่วัดไหนหายเลิกไปตามสบายประมาณ น, นั้นทางโลกก็มีแต่โครงการมีแต่โครงการแต่ไม่รู้ว่าผลของมันคืออะไรทำแล้วมันได้อะไร อบรมจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยเคยประเมินผลไหมมีคนรู้แจ้งกี่คนมีคนดับทุกข์ได้กี่คนเกิดปัญญากี่คนเนี่ยอะไรพวกนั้นมันไม่ลงลึกปนานนั้นนะแต่ทําสักสักแต่ว่าเหมือนทาน้ําพริกละลายแม่น้ําเป็นอย่างนั้นจริงๆริงนะแต่ถ้าปฏิบัติธรรมที่ดีๆหน่อยอย่างพระที่มาเมื่อกี้นะหลงปู่เลินมาเล่าให้ฟังมาะพระมาตั้งเจนะ็ดสิบแปดสิบน่ะงานเผาศพหลวงพ่อจันทาปฏิบัติเข้มอยู่ทางด้านหลังมั่นะ ไม่ได้สูบบุหรี่กับโทรศัพท์อยู่นั่นน่ะปฏิบัติเข้มจังอ่ะอะไรประมาณนั้นน่ะหลวงปู่เลิศว่าโว้ยหลวงตาเห็นท่านเด่นว่าอันี้มันโอ๊ยผมไม่อยู่ด้วยหรอกเนี่ยเขร่งขัดไม่ให้สูบบุหรี่ไม่ให้พูดไม่คุยกันไม่ให้โทรศัพท์โอ๊ยไม่อยู่ด้วยหรอกเนี่ยเคร่งเกินไปอย่างประมาณนั้นไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะคำสอนพระพุทธเจ้าคืออะไรท่านสอนให้ละเลิกอะไรเราไม่รู้ไงนั้นถึงบอกว่าจะสร้างพระองค์หนึ่งเนี่ยยากมากแต่สร้างวัตถุสิ่งของมันไม่ยาก นั้นเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่เราจะมาสร้างสร้างให้เป็นพระเนี่ยสร้างตัวพวกเราเองเนี่ยให้เป็นพระนี่เกิดปัญญานะแต่ก็อย่าไปผิดทางนะอย่าไปผิดทางอย่ามาทางนี้ น, นี่ให้ไปทาง น, นี้ถ้าเรารู้สึกตัวนี่เขาเรียกว่าอันนี้อันนี้อ่านว่าไงมกัมกแปลว่าฮะเออแปลว่าทาง ทางไปสู่วิปัสสนาก็คือรู้สึกตัวรู้สึกมากๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ตัวมากขึ้นมากขึ้นเหยียบก็รู้ทำอะไรก็รู้ถ้ารู้บ่อยๆรู้ว่ายืนเดินนั่งนอนโคเหยียดเคลื่อนไหวกินน้ํำลายกระพิบตามมันนึกมันคิดให้รู้เท่าทันมันรู้รู้แล้วปล่อยวางรู้ไปเรื่อยๆรู้รู้เรื่อยๆรู้มากเข้ามาเข้าเนี่ยมันจะเกิดวิปัสสนาญาณอันนี้ขึ้นมานะเนี่ยมันจะเกิดว v, bumps, ิปัสสนาเกิดการรู้แจ้งขึ้นมานี่ย แต่ถ้าเราไปเพ่งมันจะไม่เกิดอย่าไปจ้องมันอย่าไปเพ่งมันแต่ลงไปลึกๆนี่เวลาสมาธิเราเยอะเนี่ยมันเหมือนไม่เพ่งนะแต่มันก็คือเพ่งนะบางคนมีสมาธิดีมองอะไรก็เหมือนเป็นธรร ม, เ ป, รรมเป็นธรรมชาติไปหมดอนะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เกิดญาณอย่างรู้นะญาณพุทธศาสนาเป็นตัวนี้นะเป็นญาณญาณ น, นะไม่ใช่ฌานนะ เป็นญาณเกิดวิปัสนาญาณญาณนไม่ใช่ฌานนะแต่ก่อนนี้เขามักจะเข้าฌานเข้าฌานเข้าฌานผู้ฤๅษีเนี่ยหรือบางทีก็สมมาแต่พุทธศาสนาจะเริ่มอย่างนี้สติพอสติมากขึ้นมากขึ้นสติต่อเนื่องก็เป็นสมาธิเนี่ยแล้วก็ไปเป็นปัญญาทจริงมันมีแค่นี้เองนะไตสิกขาเนี่ยระบบไตสิกขาแต่เพียงแต่ว่าสติเนี่ยทําไงมันจะเป็นสมาธิให้เนี่ยปัญหาไหมั น, นี่ แต่จะสมาธิแบบฌานนะแต่สมาธิแบบรู้ตัวต่อเนื่องนั่นเองมันผิดนิดเดียวเองที่เราทำปัจจุบันเนี่ยและหลายคนมีศรัทธานะเด็กเขามีศรัทธาวิรพิบัติทำนิ่งสะกดจิตเอาเลยมันก็นี่ดิ่งแล้วตัวแข็งเลยอะล่ะในหลายคนนะเราบอกว่าสมาธิติดเนาะพุทธพิมีบุญมันนะมันกำลังเพี้ยนได้เนี่ยนะมันกําลังผิดปกตินะมันตัวแข็งทื่อเลยเราคิดว่าเขามีบุญจี่งจริงไม่ใช่ มีบุนี่คือรู้เท่าทันความคิดอารมณ์เนี่ยรูปปล่อยวางได้แต่ถ้าตัวแข็งนี่คือมันเป็นชานแล้วเนี่ยมันเป็นชานมันจะออกยากแล้วเนี่ยมันติดเป็นชานตัวแข็งคือสะกดจิตตัวเองไงอัเ น, นี้ไม่ใช่เพ่งไปข้างนอกนะแต่เพ่งมาที่จิตแล้วหยุดจิตไม่ให้มันคิดอะไรเอาไปมันจะเริ่มเพี้ยนนะเบลอต้องไปหาหมอจิตแพทย์แล้วทีเนี้ยแต่ก่อนเขาเป็นอันนี้กันเยอะอันนี่ย้คอดคอดก่อนนั้นมีผิดปกติกี่คนเนสองเหรอ ประมาณสองคนเป็นบ้าไปสองคนนะคอรก่อนนั่นนะวันที่เทเล่นะลวงตาเทศเรื่องเอพราะมหาชนกนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นพระมหาชนกแล้วเข้าไปในอารมณ์เลยไหว้ไปไหว้ามาไหว้ไม้มามามันเกิดพลังไงก็ารู้วิ่งขึ้นต้นไม้นันะ่นแหละแล้วก็ไหว้ตลอดจับไว้ยังไงก็ไหว้อยู่นั่นแหละไหว้ไหว้ตลอด มันหลุดเข้าไปในอารมณ์ไงแล้วมันออกไม่เป็นนะให้กินยาให้หมอเขาเอาเวเลียมมาให้ฉีดนอนได้แต่พอตื่นขึ้นมาก็เข้าไปในความคิดอีกแหละแก้ไปแก้มาเขามีก็ว่าจะส่งเขาบริษัทที่กรุงเทพเขามาปฏิบัติธรรมเขาจะมาเป็นชุ ด, เ ป, ชดเป็นชุดเป็นชุดชุดที่เขาไม่ได้มา จะมาครั้งละสองรถตู้นี่นะทีนี้ก็โทรไปหาพ่อเขาเจ้าไปกรุงเทพกับบริษัทซะคนนึงเพราะเพื่อนไม่มีเวลาปฏิบัติต้องมาล็อกมันไว้เพราะมันวิ่งไปโน่นไปนี่มันตะโกนนั่นตะโกนนี่พ่อเขาบอกว่าหลวงตาผมมีลูกสี่คนคือเขาก็เป็นนะมันเป็นกรรมพันธุ์สุดท้ายเป็นกรรมพันธุ์เป็นไปแล้วสามคนคนนี้คนที่สี่นึกว่าจะไม่เป็น คนนี้ก็เป็นกรรมพันธุ์เนาะเขาอะไรเี้ยไม่เป็นปัญหาอะไรลวงตามพมค้ากลับไปบ้านเดี๋ยวเขาก็หายเพราะอีกสามคนก็เป็นแบบนั้นพวกเป็นกรรมพันธ์ในฝึกสติเนี่ยบางทีก็ส่วนมากมันชอบหลงไปในอารมณ์ไงก็ไม่รู้นะลุตงตากคยเห็นหลายคนนะนั้นไม่ต้องห่วงนะรุ่นนี้ว่ามันจะไม่เป็นเนี่ยเป็นแน่แน่ถ้าทําเล่น คนตาว่าเป็นบ้านี่ดีกว่าดีกว่าที่จะอยู่กับโลภโกรธหลงไปวันวันทรมานนะนะฮะดูด้วยราคะโทสะโมหะนี่กูบ้าไปเลยดีกว่าวะเนี่ยดีไหมอันนี้มันก็บ้าเหมือนกันนะคนที่หายบ้าคือพระอาหารหันต์ไงแต่ถ้าปฏิบัติถูกทางนะไม่มีบ้าถ้ารู้สึกตัวเนี่ยแต่ถ้าเพ่งถ้าจ้องมีสิทธิ์ออกนอกทางเนี่ยนั้นให้ไปตามทางนะ ทางคือมักรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกนี่ยถ้ารู้สึกรู้สึกมากเข้ามาเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมทีเนี่ยมันจะมีรู้ตัวทั่วมันจะมีจังหวะหนึ่งนะอย่างอย่างเรารู้อย sí ่างนี้ใช yeah. know, ่ไหมในเบื้องต้นเนี่ยมันจะรู้กับเท้าอันเนี่ยเดินไปรู้ไปรู้กับเท้าไปทีละน้อยไปน้อยน้อยพอกําหนดรู้มากเข้าสักพักหนึ่งเนี่ยมันเหมือนรวมตัวกันเข้ามันจะเป็นสมาธิน่ะแล้วมันเกิดสะดุดอะไรสักอย่างน่ะ แล้วมันจะมีอะไรหล่นลงไปจากใจแล้วเกิดสว่างแจ้งขึ้นมาแล้วมันจะเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมัือหมดเลยเฮ้ย hey, รู้หมดเลยนะ่ะหายใจก็รู้คืนน้าลายก็รู้ทําไมเฮ้ย hey, ทํำไมมันรู้มากขนาดนี้ยไม่ได้ตั้งใจรู้มันจะรู้อันนั้นแหละเขาเรียกว่าภาษาพระนะเขาเรียกว่าโครตรภูยานคนทั่วไปนี่ได้แต่รู้สึกเฉยๆในสภาวะอันนั้นนะ่ะ มันไม่มีในคนทั่วไปไอ้ที่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นมหาสติให้เลยว้าวไอไม่ได้กำหนดรู้ทําไมมรู้ขยับนิดหน่อยก็รู้สึกตัวหายใจหายใจนี่มันโล่งไปถึงท้องเวลาเป็นนอนก็พลิกยังไงมันก็รู้สึกเองไปหมดจนกระทั่งว่าความคิดความปรุงแต่งอะไรเข้ามาไม่ได้เลยอ่ะความรู้สึกตัวมันมีอยู่ทุกทั่วตัวนะเดี๋ยวนี้เราอยากให้เกิดรู้สึกตัวทั่วพร้อมูทั่วหมดตัวอันนี้สติเนี่ย ยกมือก็รู้ไม่ยกก็ลืมเนี่ยเราต้องรู้มากๆเคยขีดไม่ขีดไฟนะชิก ช, ก, ช, ก, ช ก, กี่ครั้งมันติดเนี่ยเอา้าหืมไม่ขีดไฟตราพญานะตาตังอาของสวีเดนก็ได้เอา้ากี่ครั้งติดหรือไม่แน่ไม่แน่นะอืไม่แน่ถ้าก้านไม่ขีดดีหัวไม่ขีดดีข้างกล่องมันดีแห้งขีดกี่ครั้ง เราคนขิดก็ขิดถูกขีดแรงกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวแต่คําว่าการไม่ขีดก็คือการขีดคือตัวกําหนดรู้นี่นี่นี่รู้รู้นี่การไม่ขิดคือก็ก ร, ร, อก ร, รู้สึกอยู่กับกายเนี่ยรู้สึกกับกายรู้สึกกับจิตเนี่ยจิตเรามันแห้งไหมแห้งไหมชุม่มโดยราคะโทสะโมหะมีไหมงนุนหิศมีไหมม่วงมีไหม นี่เนี่ปัญหามันคือมันไม่แห้งนะกดไดสตาร์ททีไรก็เหมือนเดิมอะปึ๊บปึเหมือนเดิมเนี่ยเรารู้สึกกี่เท่ไรเท่าไรมันก็ไม่แห้งพอไม่แห้งมันก็ไม่ติดไงที่เรามาปฏิบัติธรรมมันไม่แห้งมันมีแต่ความคิดอดีตอนาคตอยู่เนี่ยมันจะแห้งทำไมงั้นคุณก็ต้องทำมันไม่แห้งก็คือรู้สึกตัวเราก็ต้องทนน่ะเจ็ดวันก็เจ็ดวันแล้วสิบวันก็สิบวันแล้วจนมันแห้งนลยนะไอ้ี่คนปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่เกิดปัญญาเพราะอะไรจิตมันไม่แห้ง มีแต่ความคิดอดีตนะคดนั้นพระอาทิตย์าระล้นใจจะไปจะไปเล่นโทรศัพท์เลยนะคนไหนมีโทรศัพท์อ้อยบอกก็ได้นะรู้ธรรมะยากยากมันยากจิตถ้ามันไม่หยุดคิดไม่หยุดปรุงแต่งไม่มีอดีตไม่หยุดอดีตนะคดมันหยุดไม่ได้ดอกคุณรู้สึกตัวรู้สึกไปแต่คุณไม่ยอมตัดเนี่ยนั้นมาปฏิบัติทำเนี่ยเหมือนคุณกําลังพายเรือนะพูดประจำนะเนี่ย เรือคุณเดี๋ยวนี้คุณผูกใส่บ้านผูกใส่ครอบใส่คัวใส่ผั ว, ใ ส, ผวใส่เมียผูกไว้เนี่ยคุณจะพายเรือข้ามฝั่งไปเนี่ยข้ามมาลมพูมไปเได้คุณต้องตัดโซ่ที่ผูกนั่นออกตัดความวิตกกังวลตัดความเสน่หาอะไรตัดความผูกยึดติดเนี่ยตัดออกเพราะตัดออกแล้วพายใน น, ยน้อยมันจะฉลุยไปเลยหรอกแต่นี่พายแทบเป็นเทบตายแต่เขาไม่ยอมตัดใจเนี่ยทั้งที่ตัวก็อยู่กับวัดไปคิดไปทําไมมันไม่ออกให้หรอก บางคนเขาเข้าใจแล้วเขาตัดแล้วมันไปเลยบางคนมาปฏิบัติทำน้อยๆเอาทําให้คนนั้นรู้แจ้งเร็วจังน่ะจิตเขาแห้งไงพราะเขาฟังเขาเข้าใจอ่ะแล้วเขาทาเลยแต่บางคนฟังไปก็ฟังอันนัะนก็ทําไปดเรื่อยๆมีแต่ว่ากูเพิ่งปัญญากูมันเลยไม่แห้งสักทีทำยังไงก็ไม่เข้าใจเทคนิคกลไกครูบาอาจารย์จะป้อนในขนาดไหนก็ตามเหมือนเดิมเนี่ยเพราะมันไม่โดนใจสักหน่อยเลย คือเกาเทศจนปากสีสีขอดหูบอกกัย่งคือเกาไม่มีอะไรดีเคิร์อะไประมาณนะั้นมันไม่มีอุบองอวยไม่ไม่มีฮึดไม่มีศรัทธาไม่มีวิแทสติสมาธิอะไรมันไม่โตขึ้นสักทีอ่ะเนี่ยเพราะมันไม่โตแล้วมันจะเกิดญาณได้ยังไงมันจะเกิดรู้ตัวทั่วพร้อมได้ยังไงขีดไม่ขีดมันจะติดลุกโพลงสว่างขึ้นไเลยับว่าฌานแปลว่าเผาพระบุเรียว่าฌ า, านเออฌานกต่ฌานนะแต่ฌานของพุทธศาสนานี่ฌานแปลว่า เพ่งเผากิเลสนะถ้ามันเกิดไฟพลุบึ้นมาเกิดในจิตเรารู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยกิเลสดับไปเนี่ยฌานพุทธศาสนเป็นแบบนี้นะไม่ใช่เพ่งเฉยๆภูมิย่าว่าเมื่อไหรที่มันสลายกิเลสดับไปได้นั่นเรียกฌานในพุทธะแต่ถ้าเพา่งเพื่อมันหยุดเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นพุทธะเป็นสมาธิเฉยๆภูย้าบอกดังนั้นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมมันก็จะเกิดละถ้าเดินถูกทางก่อนมันจะเป็นมรรคนะมันจะมีผ่านนั่นนี้หน่อยเนี่ยเกิดโล่งมีบ้างไหม อันนี้อ่านว่ายังไงคะโล่งโปรง่ปรงมีมีโปร่งบ้างไหมเบามีเบาบ้างไหมบางคนยิ่งปฏิบัติยิ่งหนักว้ายกูมันหนักขาขกูทีน้อเขนกูก็หนักปันสิบกิโล่ทีน้อเป็นยอนอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันหนักแหละอุปธามันกิเลสมันเยอะโล่งโปรง่ปรงเบา แต่ว่ามันยังไม่ถึงทางนะพอมาถึงจังหวันมันเกิดสว่างว่าบขึ้นมาตนนี้เนี่ยสว่างสะอาดสว่างสงบสว่างเนี่ยเป็นโอภาษ์เลวเนี่ยสว่างแล้วนี่ก็เกิดปีติละทีเนี่ยเออบิ่มใจละทีโอ้ยทาไมเบาจังทํำไมสบายจังโอ้อยากทํานี่ยนี่ตีละครั้งแล้วโอ้ยอย่าเฝ้าตีไว้เลยกําลังเดินทางเนี่ยเนเนี่ยเนีขาเริ่มเห็นทางแล้วนี่ทางของกิตจมันไม่ได้มีอะไรนะเนี่ย มันโลกมันโปร่งมันบอสมอว่าไม่ใช่มีความคิดความปรุงแต่งนะทางของจิตเนี่ยแต่เราต้องให้เห็นทางอันนี้ให้ได้เนี่ยนั้นจะเห็นได้ก็คือต้องเอาความรู้สึกตัวนี่ฟาดฟันมันไปให้หมดฟันไปเรื่อยๆมันคิดอดีตโคตรฟันไปเรื่อยไม่ต้องไปสนใจมันอาบน้ําแล้วก็รีบมันบอกว่าถ้าเป็นสะกอนถ้าแป้งตะกอกบ้สนอกกูบอกทากูจิเปล่าไปเดินจุกลมนี่นี่มันบอกอย่างแค่นั้นอะนี้ไม่ต้องไปทําตามมันฝืนไปเยอะๆลองทําดูแค่เจ็ดวันเนี่ย มองไกลๆมองไกลๆถ้าทําแล้วมันไม่รู้แจ้งเอาซะถุลลงตายฝ่าพรางหัวสมเจ้าก็ได้มันบ่รู้แจ้งมันเป็นจริงมันก็จะเกิดที่นี่เกิดปีติเกิดปัสสัที่เกิดสุขเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไปของมันเองแหะนี่ทางเขานับจากเรื่องพวกนี้ไปแต่บางคนมาปฏิบัติธรรมตั้งนานอยู่แต่ของความคิดแล้วมันจะเห็นทางเหรอมันไม่มีอะไรมาก ทำความรู้สึกตัวทําจริงจริงจังๆซะทําให้มันต่อเนื่อง zeit? รู้จักความรู้สึกตัวไหมนี่นี่นี่นี่รู้ไหมนี่เนี่ยรู้สึกอันนี้เห็นนะแต่รู้สึกนี่มันสัมผัสได้อย่างไปกํามือด้านหลังนี่รู้สึกเนี่ยเนี่ยทำนี้ก็รู้สึกนี่ทีนี้ทําให้มันรู nations, น้สึกให้มันต่อเนื่องอันนี้เนี่ยนานเหมือนหายใจเข้าหายใจรู้สึกอยู่กับกายในส่วนไหนก็ได้เหมือนนับลูกประคําะไรทิ้งทิ้เนี่ยแต่ว่าต้องทำเยอะ เดินก็เหมือนกันทําอะไรก็เหมือนกันนะรู้สึกมากมากนั้นนี่นะมาทางนี้นะั่นนี่นะพอรู้สึกตัวปุ๊บปันจะมาหนี้แหละถ้าทำได้ต่อเนื่องสักพักโยมตั้งใจทำเลยโยมอยากให้มันเกินสามวันต้องเกิดภาะวะโล่งโปรง่งเบาสบายนี้ขึ้นมาทันทีเลยเข้าทางให้ได้พุทธศาสนาเขาจะเริ่มจากพวกนี้ไปแต่อยู่ที่คิดที่จําที่อะไรไม่ใช่ปรุงแต่งไม่ใช่พุ้งสั้นไม่ใช่โคนละอันกันวันนี้วันนี้วันไอสิ่งกีดขวางเออลืมพูดให้ฟังนะ ตัวนี้แล้ว เ, เหลืออยู่ห้าหกนาทีหลังจากพูดจบเราก็นั่งสมาธิสักห้านาทีนะห้ า, ยายสิห้านาทีเดกทุกไนโนหานาทีก็ได้ <c oughs> <c oughs> ออบัดไปเบิงหมอล่ำหน่ยดอยนะกเบิงคักเบื้องเมพระไปเบิงน้่ก็มี่ได้พระก็ได้อไดเอาหมอล่ำของมาเต็นอยู่ในวัดก็มี่ หมอลำสิงหมอลำยังนะแต่ถ้าโยมมาวัดมาวานี่เหยียดขามาทางผ้านี่ว่าไม่สุภาพนะอย่าได้ทําเป็นนันขานะบาปตายนะหลวงพ่อมันดื้อสาไม่เหมาะสมจะไปอะไไปดูหมอลำสิงมันยกฟ้าตีนใส่ประครักพระนะพระก็ได้ยกมาอีกเนเอาไปให้มันสิบบาทนเอายืนใส่อยู่เลยเห็นวะน่ะมันโง่ด้เ อ, อ้าจํานี้จำหน้ า, าจาตาตัวนี้ไปก่อนเอาก่อนนอน อันนี้เรียกว่าอะไรนิวรมมีกี่ตัวหืบบ้าหิไมห้าตัวหนึ่งกามนะเนี่ยอารมณ์กามอารมณ์กามเนี่ย น, น, นานๆมันตึงจะมาแต่มันมาที่อะไรหนหัวฟาดหัวเวียงนะมันต้องตัดมันให้ออกเสยไวเ์ทะอปสย เขามองคนเป็นซากศพว่าต้องมองเป็นซากศพเ ร, รารู้สึกตัวได้หลายรู้สึกตัวได้หลายพอถ้ารู้สึกตัวเนี๋ยมันก็ดับไปมันมาเดีวมันก็หายไปมันเป็นอารมณ์พออารมณ์มาเนี๋ยมันก็ดับไปอารมณ์มาก็ดับไปอะ่ะอันที่สามก็คือพยาบาทพยาบาทบมเมนเงินใหญ่เดยโมเมนต์พยาบาทเลยพยาบาทแปลว่าสั่ง ปฏิบัติเท่าปฏิบัติธรรมนี้มันจะชังคนมันแปลกนะกูสั่งกูว่ากูสิน้อนบอนี่เพิ่นกับมันน้อนเนี่ยกูว่าสินังบอนี่มันมานังกวนเนี่ยนะเวลาเราไปเดินที่กรมคนไปเอาที่เดินจู่กรมแล้วจะไงมันจะชังคนง่ายแปลกคือมันไม่มีอะไรจะทำเลยนะจิตนี่นะมันจะติดอารมณ์ง่ายบางทีเป็นสิฟันหายไปเห็นกับคนนั้นก็สร้างหลายบางเทอเขายืมสินไปอาบน้ำสิสก็ทูกขหลายลด มันหักเป็นพยาบาทยใหญ่มันมีนะมุดงิดเนีย่ยสามถีนะมิดทะมิดแปลว่าอย่างมิดอิ่งติ่งกับมิดซีรีต่อยมิดหักมิดซีรีมันได้มิดอิ่งติ่งเนะ๊ ทีน่ะมิดาไปว่างง่วงเงาสลึมสลือนี yes. ่ซางแจว่ายู่หันตาหายังหลับอยู่บางคนกับเมื่อยกขึ้นอยู่หันหลับอยู่มันบลอตกลงเวลาเธอพันไอมันจังยกขึ้นยังน้อยสิน่ะซุ่มโง่โง่นี่มาจากว่างง่วงนี่แหละโง่ี่ง่วงง่วงง่วงง่วงมาเลยโง่โง่คืออวิชาเนี่ยเนี่ยพวกง่วงเหงาสลึมสลือบางทีมันก็ไม่ง่วงนะแต่มันเงาจะไม่ยังหายยังถอยกหายยัง ไปทำงานฟันฟื้นสิู่บริงานบ้าไปยังไงอยู่เนี่ยมันคิดเนี่ยทีนมิทะอุทจะอุดสายบ้านี้อุทัจจะอุดอุดอุดอุดไปว่าอย่างอุดไปว่าอ๋อเราเคยอุดประตูติอุทธัจักุกกุจักุกกุกกุกเสียงอย่างเออไก S <S <S อุทธิจักกุกุจะฟุ้งซ่านอุทธิจักนี่คือมันปิดประตูรู้เนี่ยนะถ้ามันฟุ้งซ่านคิดไปไกลแล้วก็จะ ย, ยากละ่ะกุกุจักก็คือเอาความคิดเดิมๆตัวเองมาเขี่ยคิดเล่นเอาสร้างจาังหวะได้ยังง่วงยังเหงาได้นี่มันคือสิอยากหลับอยากนอนเดียว่าเมือ่อตาขึนอีล่ะเอ้ย อ, อดเอาดิยังเหลืออยูหกนาทีเนี่ยเอาเมื่อกี้เหลือเจ็ดเด้ <c oughs> มีคนป้าขึ้นมากไหม <c oughs> โอ้แสนนดงว่านิ่มน้าได้หน่มีหน้าทีฟั่งกับฟั่งตัวนนเนาะไอดไหนมาหลงมาแล้วโกโกุจะเนี่ยฟุงซ่านบบม่วงกับฟุงซ่านไหมแต่คนยกมือนี่ทศ ง, งบตื่นขึ้นมากขึ้นโหลดไม่เมื่อใดกุศลเมื่อน้อีอ่เมืม่อใดพระสิตลักขั้งนอ่อ แต่เวลาตีละคงกินข้าวแล้ว้ายสวรรค์ถ้าตีละคังอันเดิมนั่นแหละแต่ตอนเตือนช้าหัวนรกละคังอันเดิมมึงจะไปพูดอะไรมีสวรรค์นรกอีกต่างหากนะไม่คิดอะไรละคังอันเดิมนั่นอ่ะขาะอันหนึ่งก็เป็นสวรรค์ข้อหนึงเป็นนรกยังไงคือจิตเรามันไปปรุงแต่งมันไงมีพระองค์ท่านเข้าใจธรรมะพราะคงนี้นะเฮ้ยค้อตอนหนึ่งก็ว่าไงท่านว่าเฮ้ยมึงมาคิดอะไรเนี่ย มึงหมายถึงใจมนันนะใจมึงเมื่อคิดอะไรตอนนี้เสียงละคังอันเดิมเดี๋ยวว่าเป็นสวรรค์เดี๋ยวว่านรกถึงเวลากินข้าขวดีใจถึงเวลาทลลําบัดตรนรกอีกแล้วเวลาปฏิบัติธรรมทุกทันทีที่จริงละคังอันเดิมเราไปปรุงมันไงนะนาฬิกามันก็หมุนไปทำธรรมาชาติแต่เราก็ทุกข์กับมันเวลาดีใจนะบางคนวิ่งมาดูนาฬิกาทําทีมันแอบมากินน้ําแล้ววาเยี่ยมมึงไก่แต่นอกเห็นไหมที่จริงก็อันเดิมนั่นแหละทีนี้ กี่ตัวแล้วนี่สองสามสี่ตัวที่ห้าละวิจิกิจฉาวิจิกิจฉานี่มันไม่ได้ทั่วๆวไปเลยวิจิกิจฉาแปลว่าลังเลสงสัยคือมันคิดว่าว่ยเมื่อไหร่กูจะบรรลุน้่นนี่นา อ, อยานี้นะเอี่เราก็ยกมือมานานแล้วทําไมมันไม่แจ้งสักทีท่านว่าจะเกิดปัญญาเกิดนั่นนี่ไม่เห็นเกิดสักทีอะ เมื่อไรไมันจะเกิดสักทีนาะเนี่ยพวกวิจิกิจฉาถ้าสงสัยเรื่องโลกโลกใม่หมือนนี่เมียกูสะเอาเข่ามาฝากก็นอบ่เกี่ยวกันเนี่ถ้าเรื่องโลกโลกไม่เกี่ยวกันนะนี่วันนี้เราจะอาบน้ําดีหรือไม่ดีเนาะไม่เกี่ยวกันนะไม่ใช่วิจิกิจฉานี่เกี่ยวกับมรรคผลเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมวิจิกิจฉาเนี่ยนั้นพวกนี้นี่มันจะเกิดขึ้นในจิตเราตัดออกให้หมดเลย เอาแต่รู้ล้วนมันเกิดก็ช่างแต่ให้รู้รู้ซิเฉยพอรู้รู้มากขึ้นมาขึ้นพวกนี้ก็แต่ดับไปมันคิดอะไรขึ้นมาม Shot, 31, hear, yup. os, ı, 60, ันงงแล้วรู้สึกตัวเรยวก็ดับไปหายไปหายไปหายไปหายไปมันจะเลื่ยหายไปเลยห้านาทีโวกทรมานหลายเนาะบางคนกิดิงรู้เนี่ยเห็นไหมพยายามรู้สึกตัวเยอะๆไอ้รู้สึกตัวนี่มันไม่ใช่รู้สึกตัวธรรมดาถ้ารู้สึกตัวมากเขาจะเป็นสติมากขึ้นจะเป็นสมาธิอีกหน่อยเป็นวิปัสสนาญาณ แต่เราพูดง่ายๆว่าให้รู้สึกตัวพูดคําง่ายๆไงท่า น, นไปสะสมตัวรู้นี่ให้เยอะๆเอาหน้าตาตัวนี้เป็นอย่างนี้นะนี่อุปสรรคนะปัญหานะต้องผ่านให้ได้ทุกตัวนะเวลาทำเนี่ยมันมีทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ไม่มีเ่แต่ถ้ามันรู้แจ้งแล้วเนี่ยมันจะไม่มีพวกนี้มันจะมีแต่อันนี้ทีนี้อันนี้อ่านว่าไงนะโลงอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะเบาเนี่ย มันจะมาทางนี้เลยเกิดสว่างเกิดปีติเกิดปัสสถานี่ก็คือสติสมาธิเป็นปัญญาเนี่ยนี่จะมีอุเบกขาทำเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเลยลองลอ ง, ลองทำดูนะเส้นทางอันนี้เอาใครสงสัยอะไรบ้างเดืสีนาทีเอาใครสงสัย อดทนเราเถอโยมเมื่อิลงตาก็ปวดแข้งปวดขาปวดต้นปวดตัวร้ายสารพัดแต่ก็เห็นว่าถ้าลงตาสละความเจ็บปวดหน่อยอาจจะมีคนเกิดขึ้นได้นีเนี่ยคนอาจจะเกิดปัญญาแล้วมองเห็นว่าคนจะเกิดปัญญาเพราะอนั้นโยมคนหนึ่งถ้าสมว่าเข้าใจชีวิตโยมสามารถไปถ่ายทอดกับลูกหลานหรือคนไหนที่มีบา ร, รมีหน่อยเขาสามารถเผยแพ่ในสิ่งที่ลงตาทํานี่ทําได้เยอะเลยนะ เหมือนหลวงพ่อเคยชวนไปสอนที่อเมริกาถ้าสอนคนอเมริกาคนหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมเนี่ยทางตะวันตกนไปเรียนในอเมริกาศา ส, สนาพุทธจเจริญรุ่งเรืองวิธีการนะเนี่ยมันก็เหมือนกันนะี่ะอยู่ในนี่คิดว่าไอ้นี่ยคือมรดกของมนุษย์อันเนี่ยที่ควรจะมีถ้าเราเข้าถึงสภาวะธรรมลึกๆสักคนเนี่ยศา ส, สนาพุทธที่มันจเจริญได้คือคําสอนเรื่องปรมาทตย์สัจจะสภาวะธรรมเนี่ยเราถ่ายทอดได้เลยบอกลูกบอกหลานแล้วเนี่ย แต่ถ้าเรามามัวสนใจเรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องเมื่อยเรื่องนั้นอยู่นี่ที่ได้คําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะหดหายไปปล่าประโยชน์เพราะหลวงตาก็คิดว่ามันไม่ได้มากคนเลยที่ทําเรื่องเนี้ยนปัจจุบันเนี่ยส่วนมากจะทําเพื่อเรื่องอื่นเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสารเส้นเรื่องสมถระเรื่องอะไรไปซะนะไม่ได้ตรงประเด็นนเนี่ย อันนี้ที่ว่าตรงประเด็นวัดตรงไหนวัดตรงที่คนมาปฏิบัติทําหลายคนก็เกิดลดละเลิกสามารถเกิดปัญญาสามารถเกิดความเข้าใจหลือการปล่อยวางอะไรได้มากมายหลากหลายนะที่คนมาพิสูจน์เนี่ยนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยเล่นหลายคนวันนี้อาจจะคือปล่อยให้สู้กับนิวรณ์สู้กับโน่นกับนี่ก็จะเริ่มรู้ลิดเดชมาไนะพระอาจารย์ท่านพาฝึกวาหัดวันกลางวันเนี่ยตอนเย็นเรามาพูดอันนี้ปุ๊บอาจจะเริ่มเข้าใจมาหน่อย ถ้าคนมันไม่หนาเกินไปนะแต่ถ้าจะมองหนาปัญญาหยาบ ก, ก็ลําบากหน่อยแนหะทีนี้เอาไปปฏิบัติรรทำทีเนี้ยเวลาไปปฏิบัติทำ ม, มันจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยพวกนี้พวกนี้เอาจริงแล้วนะวันนี้ทฤษฎีให้พวกนี้เอาจริงมันมะลินเอาจริงล่ะมาเหมือนกันแต่มา้าแต่และตัวฝีเท้าไม่เหมือนกันวิ่งเร็ววิ่งช้าอยู่ที่ตัวเราล่ะคําสอนนันเดียวกัน ออกจากป่าเพราะพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่บางคนหนึ่งสภาว่าหนึ่งทำให้คนเป็นพระเทวทัตแต่ทำคนหนึ่งให้เป็นพระโมกขลาสารีพุทธอันเดียวกันนะอันนี้ก็เหมือนกันมาปฏิบัติทรามบางคนรู้แจ้งบางคนอาจจะทุกข์มันอยู่ที่การทําลายอุปาทานขันเป็นหรือไม่เป็นนั่นเองศึกษาดูนะเอาเตรียมตัวหันหน้าไปทางโน้น